คนกกหลวง่ยนอยู่ที่โรงแรมค อ, เอนเทนท์คือจะ้าไปยู่ก็ทิ้นน่นีเท่าไหร่คะตั้ง่สิบสอง 82, ค่ะหอนพอกั น, น้องน้องปุีน ะ, ะญญท่านภาษาท่านเท่าไหรแต่ภษาท่านเยอะกวามกเว่าเ่ค่ะพาะปุรีวรวบวชวันหลวงปู่มันสิน้นแต่หลวงพ่อเพียนบวชก่อนสามปีค่ะ การ่ม้นทกปตายทุกิีตายตายตายตายตายตายแตจะทำก็อย่างนี้แหละอาัยศักิเด็กเดกิดตายเราต้องคิดแตงเรื่องนี้อยู่เอย พรามันจะช่วยให้เราได้มีภูมิคุ้มกันเวลาเกิดได้ขึ้นมาแล้วก็รู้ว่ามันถ้าต้องเกิดเมื่อไหร่อีกอย่างก็เราจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวอะไรที่เกใจผู้พิจารณ์นี่ไม่ได้เป็นอะไรกับ่างกจยทีใจเข้าใจรักใจก็เลยไม่สึกเสียเที่มันไม่รู้สึกเฉยเฉยก็เพราะว่ามันบอกที่ว่าร่างกายเป็นใจ พอร่างกายเป็นอะไรนี่เองแตคิดถึงความแก่ทางเกิบทางตายใจมันก็ไม่สบายใจก็ไม่หลนเราไปชื่อว่านั่งใจนี้เป็นใจเราก็ต้องวิเคราะห์ดูการการเกิดขึ้นมาของร่างกายจับใจว่ามันมามันมาเกี่ยวข้องกันตอนไหนก็เกี่ยวข้องตอนที่มีการผสม เชื่อของพ่อของแม่เลยครับเพ้า น, นั้นเมื่อเชื่อกับของพ่อของแม่มเลยเปลี่ยน ใ, ใจที่เป็นดวงวิญญาณเข้าเข้ามาร่วมเรื่มาร่วมสังฆกรรมเรื่งเพ่เกิดการตั้งทันได้ต้องเชื่อของพ่อเชื่อของแม่แล้วก็ต้องมีใจใที่นดวงวิญญาณใ้ขบถสังฆวิญญาณมาร่วม มันจะเกิดการสร้างพันธุ์ขึ้นมาถ้าไม่มีใจก็การสร้างพันธุ์ก็ไม่เกิดแต่ใจมันมีอยู่แล้วเพราะมีสารโลกหะทริอเรที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยาเยอะแล้วพอตรงไหนที่ต้อมีการผสมพันธุ์กันแล้วก็จะมีการการสร้างพันธุ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นที่มาของร่างกายแต่ใจร่างกายมาจาก พ่อองแม่ได้มาจากโยงวญญาณของผู้ที่ตาแล้วที่เขามีบุญมีปัจจัยคว้อมที่จะมา ร, ะรับร่างกันเป็นสมบัติของเขาต่อไปนี่เข้ามาด้วยความเหื่อยมาด้วยวิชาเหมือนกับคนตาบอดมามาพอได้ร่างนี้พอคลอออกมาพอเขาเริ่มมีสถีรับ้ นะร่างกายนี้เขาถือว่าเป็นตัวเขาถือว่าร่างกายนี้เป็นตัวรับอย่างที่พวกเราเป็นเนี่นพกเราพอคลอดออกมาจากท้องแม่วันแรกเราก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนเรายังนอนหลับฝันอยู่กว่าจะมารู้ตัวก็โตขึ้นหน่อยแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มมีความสุขพันกับร่างกายมาอย่างต่อเ น, นื่อ แล้วก็ไม่มีใครคอยบอกเลยแม้แต่คนเดียว่าร่างกายนี้ไม่ใเคยมาขนาดทุกคนก็บอกว่านี่บัวเธอมันก็เลยเกิดความผูกพันเกิดความยึดถือร่างกายกันนั้นเมืนเดียวกันเหมนว่าร่างกายกับใจเป็นอันเดียวกันใจคิดว่าร่างกายเป็นใจร่างกายคิดไม่เสร็นร่างกายไม่รู้เรื่องร่างกายเป็นเป็นเหมือนวัตถุ เป็นเหมือนต้นไม้แต่ใจนี่แหละเป็นผู้ที่รู้แต่รู้ไม่จริงรี้เรื่องวิชาปฏิยาสังขาราวิชาเป็นเป็นตัวทำหลอกให้มุงแต่งคิดไปว่าร่างกายนี้เป็นตัวของใจ ก็เลยเกิดความผูกพันอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็เกิดการดูแลรักษาหวงแหนแล้วก็เกิดตัณหาความอยากอยากให้ร่างการนี้อยู่อย่างสอบภัยไม่เจ็บไข้ได้ดีถ้าไม่แก่ได้ก็ดีถ้าไม่ตายได้ก็ยิ่งดีลนะอยาก แม้รู้ว่าจะแก่จะตายแต่ก็ยังไม่ยอมรับความจริงอันนี้พยายามที่จะไม่คิดถึงมันปัญหาหลักของัของของพวกเราอยู่ตรงนี้เราพยายามไม่คิดถึงมันเรากลัวมันมากเรื่องความแก่ความตายความสจ็บ้ายได้สวด ยิ่งไม่คิดถึงมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งเหลือ น, น่าง ย, ยิ่งไม่ยิ่งไม่มีโคมคุ้มกันไม่มีอะไรที่จะมาไม่มีปัญญาที่จะมาแย่แย่ให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรมันก็อยู่กับความหลง อ, อยู่กับอุปทานความเล็กม้าถี่มันอยู่กับตัณหาพอมีตัณหาก็มีความเพียรเพราะตัณหานี่เป็นสมุทยัย ภาวะตัณหาหรภาวะตัณหาภาวะตัณหาก็อยากมีอยากเป็นที่ภาวะตัณหาก็ไม่อยากมีอยากอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายภาวะตัณหาก็อยากจะอยู่อย่างมีความสุขอยากจะอยู่เป็นานๆมันก็เลยสร้างความกวนตวาย สร้างความทุกข์ความกังวลต่างๆขึ้นมาให้แก่ใจอยู่ตลอดเวลาสําหรับผู้ที่ไม่สามารถที่จะเจริญปัญญาเพื่อที่จะมาระงับความหลงระงับความยุติดระงับความอยากธรรมะคาสอนของพออระเจ้าก็มีหน้าที่มีหน้าที่มาสอน ให้ใจได้เห็นความจริงว่าใจไม่ใช่ร่างการร่างกายเป็นบุญน้ำมุญไฟร่างกายเป็นอนิจจังจก็จเจ็บตายร่างกายเป็นกองทุกข์ถ้าเปยึดถือถ้าก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะไม่ได้เป็นตามความอยางถ้า ถ้าจะอยากแล้วไม่อยากให้ทุกข์ถ้าถ้าถ้าจะไม่ให้ทุกข์ก็ต้องอยากให้มันเป็นใบต่างความเป็นิงต่างๆเข้มอยากแก่อยากเจ็บอยากตายแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ให้ให้ให้ให้ไปทำตัวเองให้เจ็บหรือทำตัวเองให้ตายหมายถึงว่ายินดีพร้อมที่จะแก่พร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะตาย แตขณะที่มันยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายก็ก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันตอนนี้ยังสาวยังหนุ่มก็ปล่อยเขาไปแต่รู้ว่าถ้าวันหนึ่งเขาก็ต้องแก่ลงไปถ้าวันหนึ่งเขาก็ต้องเจ็บไข้ได้สุดถ้งวันเขาก็ต้องตายนี่คืออริยสัจข้อแรกทุกข์กับความจริงของ ของร่างกายกับกจิตใจต้องาการสอนให้เราศึกษาทุกต้องกําหนดต้องกํำหนดู้เรื่องของกายกับใจที่เป็นที่ตั้งของก่อนทุกข์ใจก็ทุกข์ไปอย่างกายก็ทุกข์ไปอย่างายก็ทุกข์เพราะความแก่าการเจ็บการตายใจก็ทุกข์เพราะปัญหาความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย ถ้าเราศึกษาทิศทอดแล้วเราก็จะมีปัญญาเมื่อมีปัญญาก็จะคลิกความอยากให้ให้ให้เป็นตรงกันข้ามเวลามีความโหยนก็อยากไม่แก่อย่ากไม่จุดอย่าก ไ, ไม่ตายพอมีปัญญาแล้วก็ปล่อยให้แก่ปล่อยให้จุดปล่อยให้ตายยอมรับความแก่คามจ็บ ค, ความตาย พอยอมรับได้ตัณหาก็มันมันก็จะดับไปพอตัณหาดับไปนิโรดคือการดับของความทุกข์ก็ดับไปด้วยดับเพราะมักมัช ก, ก็คือปัญญาที่เราจเจริญที่เราพิจารณาอริยสัจข้อแรกสี่ข้อนีมันเกี่ยวมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนีง้ ข้อแรกต้องต้องศึกษาการจะศึกษาก็ต้องใช้ข้อที่สี่คือคือการเจเริญมรรคจะลำลังสมาธิจะลำนี้ปัจจนาปัจจนาทางแก่ทางเจ็บทางตายอยู่เรื่อยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการเจริญมรรคเป็นการเป็นการกำหนดรู้ทุกกำหนดรู้ความจริงกำหนดรู้ความจิงของร่างกายหน้าจิตใจ เมื่อรู้ความจริงแล้วความหลงก็หายไปความอยากที่เกิดจากความหลงก็หายไปเพราะเห็นแล้วว่าถ้าอยากที่เป็นวานที่สืนกับความจริงก็จะไม่ได้ดังใจน่าจะทุกข์ทรมานใจเสมนเพราะงั้นก็เฉยๆไปจิดก็วางเฉยกับเรื่องของร่างกาย มีนหน้าที่ดูแลถ้าดูแลเขาไปอับน้ำอาบถ้ายข้าวรับประทานอาหารทน เ, เนื้อแต่งตัวก็ดูแลกันงๆเจ็บ่ข้ได้ผลก็หาหมอหาอยู่้ายารักษากันงๆแต่ใจนั่จะสดชื่นเดิดมานแจ่มใสตลอดเวลายายไม่ได้ไป เกี่ยวข้องกับร่างกายในด้านความยึดติดในในด้านความหลงไม่ได้คิดว่าเป็นตัวเราของเราไม่ได้คิดอยากให้เขาไม่เจ็บให้ได้ผลไม่ไม่ตายเมื่อไม่มีความคิดเหล่านี้อยู่ในใจแล้วใจก็สบานนี่เหียว่าการ การทำหน้าที่หรือทำกิจในอริยสัจทั่ที่พระพุทธเจ้าทรงสัตว่าทุกขัตริย์ที่ต้องกำหนดรู้ที่ต้องศึกษาพระองค์ได้ทรงกำหนดโน้และได้ศึกษาแล้วได้ทำมาแล้วทำหน้าที่ข้อที่หนึ่งแล้วสมุดไทยที่จะต้องละก็ส่งละนะ นิโรธที่จะต้องทำให้แจ้งกระสงทํทำให้แจ้งแล้วมั้ที่จะต้องเจริญให้สมบูรณ์ก็เจริญอย่างสมบูรณ์ได้มีสติปัญญาเต็มที่ที่สามารถนำไปละสมิธายได้นะทุกที่มีอยู่ในใจก็ดับโดยสิ้นเชิงเป็นนิโรธที่อยู่ในใจมันก็ หัวใจของพระพุทธศาสนาก็อยู่ตรงนี้จิตในพระอริยสัจอยู่ตรงนี้แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงหัวใจหรือรากของพระศาสนาได้ก็ต้องเข้ามาทางเก่งทางทางต้นก่อนแน่นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือการพัฒณาอริยสัจหรือสติปัญญา ถ้ายัางไม่มีกำลังทางกำลังที่จะต้องเจริญสมาธิก่อนถึงจะเข้าสู่ท่านสติปัญญาได้ถ้าไม่มีสมาธิก็ต้องรักษาสีไปก่อนถ้าไม่มีสีก็ต้องให้ทานไปก่อนเพราะทีมา น, นี้จะสนัครเสนอเป็นท่านบัณดาตถ้าจะสามารถเสนอให้ให้การรักษาสีเป็นไปได้ สิ่จะทําให้การทําสมาธิเป็นไปได้สมาธิจะทําให้การเจริญสติปัญญาเป็นไปได้สติปัญญาเพื่อจะทำให้การหยุดพ้นจากความเจเป็นไปได้เป็นท่านสออามเรื่องกันพูดๆเมื่อกี้เราพูดที่ที่ขานสุดท้ายคือท่านสติปัญญาถ้าฟังแล้วถ้าสามารถเจริญสติปัญญาได้ในขณะที่ฟัง ก็สามารถตัดปัญหาที่มีอยูในใจได้เลยยังที่พระพุทโธทรงแสดงพระอริยสัจที่ขั้นแรกให้แก่พระปัญจวัคคีพระอัญญาณโจรัญญาเพื่อปรากฏในดวงตาเห็นธรรมขึ้นไาสิ่งได้มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดารางการนี้มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา พอจิตเข้าใจหลักนี้แล้วจัดความอยากความกลัวตายได้แล้วมันก็มันก็รู้อยู่ในใจว่าความกลัวตายในใจไม่อยู่ร่างกายร่างกายของใครจะตายแต่ไม่รู้สึกการร่างกายของคนที่เราลเคารลบบูชาเช่นของครูบาอาจารย์เราคารบท่านแต่เราก็รู้ว่าท่านก็เป็นเพียงร่างกายนั้นเป็นเพียง เันเพลงส่วนประกอบของท่านน้ไม่ใช่เสือท่านตัวท่านคือใจของท่านไม่ได้ตายไปทางร่างกายของท่านแล้วเราก็รู้ว่าร่างกายของท่านฤทธิของเรานั้นก็ไม่มีใครอยู่เหนือความสิ่งของกฎแห่งอนิจจังได้นิจนจังก็คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับพอใจรับความสิ่งนี้ได้ใจนี้จะ ใจที่จะรักความจริงนี้ได้ก็ต้องเป็นใจที่มีสมาธิอยู่เป็นใจที่ตั้งอยู่ในอดีตค้าทําแล้วตอนได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่เกิดความสตทกสะทา้ะทานต่อการตายเลยแบบจะรู้ึกเฉยๆเป็นกับตายเท่ากันพอใจปล่อยวางร่างกาย ใจไม่ได้เป็นร่างกายใครรู้ว่าร่างกายนั้นมาจากธาตุสี่ น, น้ำลมไฟเนี่ยคืออนิสงส์ของการได้เข้าห า, าพระพุทธศาสนาได้ตรงได้ที่ใจเราไม่ได้ราบยศสระเสริญสุด เราไม่ต้องการลาดเนื้อเส้นนั้นสุดเพราะมันก็เป็ น, ปนสิ่งที่ไม่เที่ยงเช่นเดียวกันได้อะไรมาเ๋ยอมันก็ต้องจากกันไปไม่หมดไปจากสิ่งที่เราต้องการได้นี่มันมันจะไม่หมดต่จากกันก็คือความหลุดแ้จากความุิ่นี้เมื่อหลุดแล้วมันหลุดเลย ม, มันไม่กลับไปหาความุิ่งนี้ไม่เหมือนการเจ็บไข้ได้สวยทางร่างกาย ที่รักษาหายแล้วก็ยังกลับไปเกิดทไายได้เสวยได้หายวันนี้หายจากโรคนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีโรคอื่นมาให้รักษาแต่ถ้าใจหายจากความทุกข์ด้วยด้วยปัญญาด้วยใจรักด้วยการเห็นเห็นเห็นธรรมความจริงเห็นอระยสัจสี่ของใจรักแล้วใจจะไม่กลับไป กับเราต่อไปเพราะความทุกข์ของใจเกิดจากความหลงความไม่เห็นอริยสัจไม่เห็นไตรลักเหมือนกับคนที่ถูกเอาผ้ามาปิดตาแล้วปล่อยให้เดินไปก็ะจะเดินไปชนนั่นชนนี่โน้มไปเหยียบนั่นยียนี่แต่พอเอาผ้าที่ปิดตาออกแล้วทีนี้ไม่ไปชนแล้ไม่ไปเหยียบอะไรล้ เพราะเห็นเห็นว่าอะไรทำงานอยู่ข้างหลังอยู่รอบออตัวรวงตาเห็นธรรก็แบบนี้ก็จะเห็นเห็นกลรักเห็นนั้นทิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นแล้วทีนี้ก็ไม่ไปเข้ากันอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะไม่ยินอยู่นัก น, น็จะรักเสร็จจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่มีพระขีนนาสดพระผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วไม่มีใคกลับไปหากลับไปหา ล, ลาภยอดเสด็จเสังขึ้นพระพุทธเจ้าไม่ได้กลับไปอยู่ในวังคนที่ออกบวชแล้วครูบาอาจารย์หรือพระพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ออกบวชแล้วบรรลุแล้วท่านไม่กลับไปครองอีกต่อไป เพราะแท้ผมชีวิตของผู้ครองเรือนี้เป็นชีวิตที่เป็นไปนด้วยทางที่ไม่มนนิจการทผู้คลองมนิจกในการอยู่ครองเรือนแต่ถึงแม้ถ้าท่านจะกลับไปถ้ากลับไปในในรูปแบบใหม่ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนถ้าถึงว่าท่านยังจำเป็นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับทางบ้านบางทีทางบ้านนิมนไป ท่าก็ไปอยู่กันเหมือนเป็นแขรเป็นอาคารทุกะท่านไม่ได้คิว่าเป็นบ้านทุกท่าน เ, นเป็นสมบัติทุกท่านเนะถึงแม่เขาจะมอบให้ก็ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้มีความยินดีอาจะรับไว้เพื่อ น, นาเอาไปทำประโยชน์ต่อกันนห้เราไปสงฆ์าะบต่อกันถ้าพ่อแม่มีวรรกที่ไว้ให้รับเองไว้ไใช้ก็จะลายไป เขาก็จะได้ทำดีเราก็จะได้เอาไปทำประโยชน์แต่ไม่ได้ทำเพื่อเพื่อบุญใจอย่างใดเราได้บุญมากกว่าที่ได้จากการเอาของเอาเงินเอาทองไปให้พู้บุญนี้มันเป็นเหมือนย่อยมเมื่อเทียบกับบุญที่ได้จากสติ ป, ปัญญา จากการดูค้นจากความทัดมันมันต่างกันเหมือนฟ้าต่างินเงินทองต่อให้ได้มากองเท่าภูเขาไม่มีความหมายใ น, นจากจารนี้แต่จะเป็นภาระที่มากกว่าก็าะจะต้องออกไปจำหน่ายใจาจากให้เหมาะสมแล้วก็จะต้องเจอปัญหาต่างๆจากคนที่ มีความอยากเมื่อรู้ว่าเราจะข้าวแจากของแจกเงินเขาก็จะมาลุมร้อมเนาะมาแบบไม่มีเหตุไม่มีผลพอปฏิเสธเขาไปเข า, เขาก็เสียใจแล้วเขาก็โกรธขึ้นมาแต่มันก็ช่วยไม่ได้อยู่ในโรกของของของิองเลสปัญหามันก็ต้องมีการสัมผัสกันแต่ใ จ, ใจไม่สะทสศรทานะ ดังนั้นขอให้เราดูพระอริยสัจสี่เนหลังเสมอถ้ามีพระอริยสัจสี่อยู่ในใจแล้วจะมีควา้องกันต่างๆดูอะไรก็ให้ย้อนกลับมาดูที่ใจของเราว่ากำลังอยู่ทางฝ่ายนักเรื่อฝ่ายสนิดไหนเอาทุกทรางที่เราเห็นรูปได้ยินเสียง ใจของเราจะมีปฏิกิริยาเกิดขึ r นกันเองถ้าเกิดความรักความชาบนี้ก็เป็นไปตางสังเไตใจไปตามทางหลวถ้าเห็นแล้ววางปล่อยวางแต่ว่าเห็นแต่ว่าได้ยินถ้าจะมีการต้องตอบตอบโต้หรือมีการปฏิบัติต่อเหตนที่ได้ยินได้ฟังได้เห็น ก็ใช้สติปัญญาครับเป็นตัวนำถ้าควรจะพูดอย่างไรควรจะทำอย่างไรในแต่กรณีแต่จะไม่ได้ไปตอบโต้ตามอารมณ์ของรรมมความรักหรือความชันต้องดูดูข้างนอกแล้วต้องรีบกลับหันกลับเข้ามาดูทั้ ง, ง, งใจจริงเพราะว่าใจของเราที่ทำงานอยู่ตลอดเวลา ต้องดูว่าทําไปทางด้านไหนถ้าไปทางคนไทยก็ต้อใช้จิตปัญญาใช้ใจ ร, ใรักเข้ามาจับจิตพอเย็งดีก็ใช้สายลากเข้ามาจับว่ า, ม, ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แต่จะอยากได้เห็นอะไรสวยๆน้ำเ ง, งาชอบก็ชอ บ, บใจเนี่ยได้ก็ต้องใช้สายลากเข้ามาจับได้นั้นแล้วก็ทา น, นั้นแหละได้มาใหม่ๆก็ดีออกมีใจ วันสองวันผ่านไปก็เห็นไม่ในตู้แฝด ไ, ไม่ไม่มีความหมายนะของที่อยู่ในตู้เราก็ไม่มีความหมายแต่ของที่อยู่ในตู้คนอื่นมีความหมายเราของเราไปให้เข า, ปาขไปฝากก็แฝดในตู้ไป <c oughs> <c oughs> ดูลงนี้ก็แล้วกันนะถ้าดูกายก็ดูว่ามันถ้ามันเจ็บก็รู้ว่ามันเป็นธรรมดามม่เจ็บยังไงก็ให้ถ้ามันทิ้งที่กาอยากอยาให้มันราอเข้ามาที่ใจถ้าใจไม่อยากให้มันหายหรืออยากจะให้มันเป็นอย่างอื่นแล้วใจจะไม่เจ็บให้มันเจ็บไปมันเจ็บได้เดี๋ยวมันจะหายแล้วเมตนามันก็เป็นงานนิจจามิ่งกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกรดับไปเหมือนกันการเจ็บค่าด้วยปวด ถ้ามันยังไม่อยู่ในขั้นที่สามโรคชนิดที่สามที่เป็นแล้วไม่หายมันก็จะต้องหายช้าเรื่อยๆมันก็ต้องหายถ้ามันอยู่อยู่ในขั้นโรคชนิดที่สามก็ต้องก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปมื่มันเป็นแล้วไม่หายมันก็มันก็ต้องหายนอย่างหุบกระเพรียงันนี้นท่านก็หายแล้วโรคภายในก็เสียหา ย, ายหมด เพนจ้ต้องเ็กเด็กนี่นก็ต้องเรียนมากุดก็ทำหนุนตลาดเวลาแต่ว่ามีระหว่างที่ดูมาเนี้ยนักถามก็จะฟังเจ็กนี้สุดน่ะก็ ก, ก, ก, ก็ก็รู้ว่าเจ็บแต่ไม่ก็วิเคราะห์ลงไปดูว่าการที่ยอมรับเนี่ยมันไม่ใย่เหมือนเรารับด้วยความจำยอมมันหรือว่าเรารับด้วยความตื่นเสียขาตรงนี้มันอ ย, ายน่างนังแยกไม่ค่อยออก ยังมีความรู้สึกว่าแต่ถ้าถามว่าดีจากเดิมก่อนที่มาพบเพื่อนใจมันดีกว่าเดิเนี่ยแหละเพราะว่ารู้ทนได้แต่ว่าแต่ว่าบางมีแม้บางขณะที่เวลาที่เพื่อนเพื่อนี่ได้ไปวัดหรือไปปราสิบายแจงคืออันนี้มีใจเคยไปอยู่ตลอดก็จะ ม, มีความรู้สึกว่ามันจะมันเหมือนมีอารมณ์เกิดขึ้นเยกาที่เรารู้เนี่ยนะคะอารมณ์นี้มันจะ มันจะรม้สึกว่าเศร้าหมอ ง, ง, องมแต่ว่าเมื่อเมื่อทันมันเนี่ยก็ก็จะวางลงได้็ยอมรับมันแต่ตรงนี้รู้ยอมรับเพราะความยอมจำยอมหรือเ่ามันมันรับเป็นแบบยังไม่ไม่ถาวรขนาดใดที่มีสติมีปัญญามันก็รับได้แต่สติปัญญาของเรานี่ยังไม่ต่อเนื่อระยะไหายที่มันเสือ มันก็จะไม่รับ ง, งั้นเราต้องพยายามทําให้สติปัญญาของเราให้ตอ่อนเราก็จะเจ็บเป็นนานๆควรจะอยากเจ็บไปนานๆเพราะมันหาเจ็บแล้วมันจะลืมมันพอมันพอร่างกายมันไปไหนได้แล้วทีนี้กิเลสมันก็จะออกมาออกมาแล้ะมันก็จะลืมละ มันไม่ต้องมันไม่ต้องยอมนะมันไม่อยู่ในที่จะต้องจำยอมมันก็จะมันก็จะไปละไปตามตาาสัรหาความอยาองคนือแบบที่ท่านได้เอ้ยยอมจุดไฟเผาเรื่องที่ท่านจำยอมนะคะ <ừ. S 2> แต่ในการเรียนกรเมียนจะมี้อนมันบอกว่าถ้าหากเผาหมดแล้วจะได้อะไรหลังในการที่จะไปหาเระก็ได้พระในใจเราไงไปหาพระก็เพื่อไปหาพระในใจเรา อาจายพรนะให้นอกนี้มันไม่ได้เป็นของเราพาะของเราอยู่ในใจเราถ้าเราเผาร่างกายได้จนกระทั่งปล่อยวางได้ก็จะมีพระในใจตรากขึ้นมาที่ไปหาพระอาจารย์ต่างๆนี้ก็เพื่อที่ให้ท่านออสอนให้เราเข้าหาพระภ า, ายใน ในเมื่อเราเจอผ้าภายในแล้วเราจะไปหาภาพภายนอกให้เสียเวลาผ้าภายนอกจะเป็นเหมือนแขนที่แต่ผ้าภายในนี่เป็นเหมือนจุดไม้ยปายทางที่เราทํางใจจะไปเมื่อเราเจงจุดหม้ยปลายทางที่เราตั้งกใจจะไปแล้วเราไปหาแทนที่ให้เสียเวลาเรามารู้ทางเลยแต่ถ้ายังสาดใจที่เรายังอยากจะไปหาตั้งอยู่แสดงว่าเรายังไม่รู้ทางเรายังไม่ได้พักไหน ถ้าได้ฆ่าใครนแล้วไม่ใครหนายหรอกไนะ่ได้แลวคิดว่าตอนนี้มันก็เป็นเหมือนกับว่าเราได้โอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมเข้มข้ขขข้นสเร็จและเราก็ควรจะได้และควรจะเห็นธรรมมากขึขก้นสำเด็จ แต่อาจจะยังไม่ไม้มากทั้งหมดที่คนเราต้องอยู่ในสภาพจายอมมันจะมันะไม่เช่นนั้นหลือยถ้ามันอยู่ในสภาพที่มันยังเล่นได้อยู่นี่ที่เหล็กมันจะเล่นอยู่ไม่ไดเมันถ้าไม่จนมุมนี่มันจะไม่มันจะไม่สู้แต่ว่ามันกำกับจนมุมน้ำมันหลังจิตฝาแล้วมันถอยไม่ได้แล้ว มันก็ต้องสูเพราะถ้ามนไม่สู้มันจะทุกพรคมหมายจับที่เราเก็กบเราสวนเนี่ยถ้าเราเกิดความอยากจะไปไหนยัมันจะทุกพรคมมายใจขึ้นมาถ้าเรามีปัญญาเราพตดนะร่างขอวามทุกข์ควมมาใจของเรามันเป็นเพราความอยากของเราเราก็ดับทังเสียงดับก็เปี่ยนใจไม่ต้องอยากไปไหนก็อยู่เฉยๆที่บ้านไป รารทุกก์ทรมารย์ใจก็จะหายถ้าเป็นเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะเห็นอย่างมันก็จะเป็ น, นขา่าวเข้ามา เ, เห็นอรอยันเป็นตอานี้้มการเยใหรู้าัแอยู่ที่นั่ยางแล้วถ้าตัด่าอย่า ง, าา ง, างได้มันก็จะหายทุกข์ทรมารย์ใจถ้าต่อไปมันจะเข็ดกับความอยากไปไหนมาไนะ ก็ที่อยากจะไปนั่นใช่อยากจะไปทำความดี<ช>ทำความดีมากขึ้นมากไาวตอนนี้ยังเไม่ไม่ไม่ดีเท่ากับคารดีที่เรากำลังทำในปัจจุบันคว า, ามดีที่เราทนี้มันเยอดของาดีตอนนี้สวน เ, เป็นเร้งา่าๆนล้นไม่ใช่ราไม่ใช่ใจของคใจของค คือการปฏิบัติจิตในอารยาสัพท์ศีลทั้งสประการนี่คือหัวใจสุนยอดของภาคีที่ไปทำอยูใ่ในทานไอะไรนี้เป็นเพียงส่วนย่อยของการขําขันเป็นเหมือนกับไปตัดกิ่งไม้ไปตัดลาําไม้ต้นไม้แต่ไม่ได้ไปขุดรากอนโคนของต้นไ ม, ม้กตัดกิ่งไป กับต้นไฟที้งไว้มันต้นไม้ก็ะยั่งงอกกลับขึ้นมาได้ทำบุญให้ดานักษาสิงนั่งสมาธิไปทิเลก็ดับไปเชื้อราแล้วก็กงอกกลับมาใหม่ไดเหมือนเดิมแต่ถ้าภาวนาเจริญวิปัสสนาทำกิจในอริยสัจสีนี้ได้แล้วทิเลกะไม่งอกกลับขึ้นมา เพราะถอนรากถอนตัวเลยเนี่ยการเจใกล้ได้สวยเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีของเราเพราะบางทีคนเรานี่ถ้าไม่บังคับไม่มีอะไรมาบังคับตัวเองมันจะไม่อยู่กับที่มันจะไปอยู่่เรื่อยๆกิเลสมันจะหลอกให้เราไปทําความดีที่มันไม่ไม่สะ เ, เทือนมันนะเดี๋ยวนะบัมบุนให้ทานนักสาธิไปนั่งสมาธินี่มันยังไม่สะเทือนมันเท่าไหร่มันเหมือนกับการจเจริญวิปัสสนา อันนี้จเจริญมันถอนรากถอนโคนเลยฆ่ามันตายเลยถ้าเพียงแต่นั่งสมาธิรักษาสีนทำบุญให้าทานเป็นเท่าเป็นเพียงฉีดยาสลบให้มันกท่านั้นพอฤเลิกของยาสลบหมดไปมันก็กลับมาได้มันไม่กลัวอะไรเท่ากับกลัววิปัสสนาแล้วไม่มีวิปัสสนาในศาสนาเลยมีของพระพุทธเจ้าเพียงคนเดีย ศาสนาอื่นสอนได้ถึงขั้นสมาธิอะแนแต่ไม่สามารถสอนเรื่องวิปัสสนาได้ไม่มีใครรู้อริยสัจสีไม่มีใครรู้ไจรักหรือท่านผู้เ จ, จาเ้างงเป็นองค์เดียวอะนรอันนั้นพยายามสอนเน้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยให้เข้าถึงหัวใจของของศาสนา พยายเราต้องเรียนื่อผูกคุณเป็นคนี่เลส น, นะเวลาที่ได้เมื่อกลับท่านอาจารย์เราได้ฟังธรรมจากปากท่านอาจารย์ต้องต้องต้องกล่าวเวว่ามันเป็นความปิติอันสูงสุดของูกเลยต้องใค้คำอย่างนี้จริงๆแติไม่พอละมันต้องนิโรธอย่างพ อ, อก็กําลังพยายามยใช่ไห้มันนิโรธให้ได้ต้องจัด าาากรารหาทั้งถาได้การมาตัณหาเพราะว่าการหาหรออวิปวะตัณหาเพราะการออกไปแสลงบุญเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือของกรามรมาตัณหาไปในตัวญาโยมแถเนี้ยเวลาออกพารษาแล้วเขาชอบไปทอดกระถินกันต่างจังหวัดเขจะได้ไปเที่ยวด้วย <c oughs> ไปเชียงใหม่เขาก็จะได้ไปเที่ยวซื้อของด้วยที่เลือมันก็แสงไปด้วย แต่สำหรับเขามันก็ยังดีกว่าที่ไปเที่ยวอย่างเดียวเหมือนกับคนบางคนไม่้องทอดปลาปลาไม่ทอดกะทิดเลยไปทัวร์ลูกเดียว <c oughs> <c oughs> อย่างนั้นยิงริงายขาว <c oughs> ยาไปแบบถ้ากินเหล้าก็แบบไม่ผสมโซดาเปรี้ยวๆเลย <c oughs> <c oughs> อย่างบางที่เขาทำบนแล้วไปเที่ยวนี่ก็ยังมีผสมโซดาหน่อย กินแล้วมันยังไม่ค่อยเมาไ <c oughs> ม้เมาเหมือนพวกที่แบบไปทัวร์ร่นร้นเลยไปกินไปเที่ยวอยู่โรงแรมห้าดาว <c oughs> เที่ยวแบบห้าดาวอย่างเดียวไม่คิดถึงเรื่องการไปทำบุญให้ทานที่ไหนขอเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยถ้าพวกเราอยากไปเที่ยวอเมริกาก็ว่าไปตามวัดไป <c oughs> ทำบุญบ้าง <c oughs> อ่ายังยัง ยังจะได้ทำให้มันจางๆหน่อยไม่เหมามากจนเกินไปเอาไปอินเดียก็ไปทำบุ์ที่โรงพยาบาลเนี่ยมันแสงอยู่อยู่กับท่านอยู่กับหลงจาท่านถึงไม่พาพาเนี่งไปไปทำวัดครูบาจารย์ลูกยู่ท่านท่านท่านใบองเดียวท่านรู้ทัน ถ้าพาพาะเนยไปมันโอมันกรดีกระด้าดีอกดีใจได้ออกไปนั่งรถได้ไปดูนั่นดูนี่ไม่ท่านไ่เคยพาพาพาะเนยไปทาวัดครูบาจารย์สมัยก่อนมีครูบาาจารย์ที่เราวุฒิวท่านอยู่หลวงปูกขาวหลวงปู่เทศหลวลูบฟ้านยครูบาจารย์เ่นี้ท่านไเคยท่านไปเองกไปทุกทุกเสืท่านไปท่านเรียนท่านไม่เปนเอาพระเนยเขาเนย เรา เ, เป็ น, นแพ้แล้วแพ้ดูดมาจากข้อ <c oughs> <c oughs> นั่นททแหละอขอน้อนั่นแหละเป็นแพ้ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นชา ท่านไม่รู้ทำวินัยเป็นยังไงมไม่ได้เลไม่ได้หล้เดินไปถ้าเขาต้องใครสงสารเขาก็หยุดเขาก็ถามเองมี้ามยางีลยนะทำอย่างนี้โง่อย่างนนหรืออยา้รับสองกลุ่มเจอสองกลุ่มบรรลุรีรับแล้วก็เดี๋ยวขอเงินขอตค์ค่ารถต่อเว้นตาทจะถามไต่อเนี่าคุยนไปเห็นอย่างนี้ปล่อยท่านไปถ้าท่านสมัครใจจะเดินก็ปล่อยท่านไปเดิน แล้วเราเราทคนียรหรืออะไรได้ไหมล่แต่เป็นทำเนี่ก็วางเฉยมันเรื่องของท่านแล้วก็อยู่ไม่ไม่กลัวศาสนาจะเสื่อมนะครว่าคนอื่นจะไม่ดีเราเราทำเนียก็จอดรไปด่าท่านเลยไม่รับ้ายก็ลองดูเลยก็ลองดูเลยดูว่าท่านจะฟังเราหรล้วคือ มันก็เหมือนว่าเราก็ถ้ากับเราปล่อยให้ศาสัาเสิมไม่ไม่จะป้องกันก็ไม่เป็นไรก็ทำเลยถ้าอยากจะทำก็ทำให้รักษาได้ก็ทาได้ผลจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องเขาลองทำดูนท่านโยมคือว่าทาแล้วมันทาให้รักษาให้ศาสนาให้ดเหมือนกัมว่เคยเกินคาไปรับทา่ไหนบ้างว่าเพื่อซื้อดีดีเร่องอะไรก็อะไรของดูแล้วไม่มีเลยก็เด่นแล้วเป็นไงทหารท่านน้อยลงไปไหม ถ้าน้อยไปไปไปน้อยลงไปด้วยเปล่ า, าไดจะเตินก็ได้จะว่าไงก็ได้ไม่เป็นปัญหารล้วแต่ละใจละคนคือถ้าเราไม่ไม่นัด บ, บงังในสอนะอาจจะพูดเสียงเลยกๆคจะฟังเราจะเสื่อมรัทธนที่นี่นับถืบอราชการคือทุกผู้ใหญ่ทุกระดับก็พยายามกันทุกคนจอมคนฟอท่้นก็พยายามจอมบนเฉลิมท่านก็พยายามพระเจ้าเป็นดินราชการที่สี่ท่านพยายาม ถึงกับถึงกับแยกออกมาเป็นอีนกมิารนึงแต่มันต่อสู้กับกาลังของกิเลสไม่ไหวใน <c oughs> กาลเราเป็นกองร้อยแต่กิเลสก็เป็นกองคนอะไรก็ ก, ก, ก็ก็สู้ไปคือมันเสียเวลาเปล่าๆเรามาสู้กิเลสของเราก่อนดีกว่า <c oughs> หน้าที่ของเราจริงๆล้วอยู่ที่การต่อสู้กิเลสของเราเมื่อเราชนะกิเลสของเราแล้ว เ, เราก็ ไปช่วยคนที่เขาอยากจะต่อสู้กับพี่เหลียงของเขาแต่พวกที่เกาไม่อยากจะต่อสู้กับพี่เหลยงของเข า, าเราอย่าไปเราอย่าไปต่อสู้อขอเขาเลยจะเจนื่ยไปฝากเราจะไม่ชอบจะไม่รักหรอกเราจะไม่ฟังแ ล, แล้วเขาก็จะมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับเราดีไม่ดีจะเป็นภัยกับเรา เรามาเนี่ยมามาช่วยคนที่ก็อยากจะต่อสู้กับพิเรนทีกว่าถ้าเป็นทหารเวลาลบในสงครามถ้าเป็นหมอเวลาคนบาดเจ็บมาก็ต้องแยกคนไหนยักรักษาได้คนไหนรักษาไม่ได้คนคนไหนรักษาไม่ได้ก็ปล่อยก็ ต, ยกตายไปเถอรักษาคนที่ยังรักษาได้นี่ครับเขาจะได้ก็มีโอกาสหาย คนที่ไม่มีโ อ, อกาสนะอย่าไปเสียเวลารักงาเดี๋ยยาเสียเวลากระจายศา ส, า ส, ส น, านมันก็ต้องเสื่อมไปตามสภาพของมันพระพุทธเจ้าก็ทรงทานายไว้แล้วว่าคงไม่เกินห้าพันปีแไม่ใช่ศาสตรไม่ใช่ศาสตา์ศา ส, สนานีา้เป็นศาสนาเดียของพระพุทธเจ้าทุกยุคทุกสมัยแล้วก็หมดไปตามการตามเวลา ระยะเวลาของศาสนากับระยะเวลาที่ระหว่างศาสนานี่มันมันต่างกันมากกระทั่งการที่จะรักษาศาสนาให้อีต่อไปสักร้อยปีนี่มันถ้าจะไม่มีความหมายอะไรเลยเช่นศาสนาของเราที่ยาวแค่ห้าปันปีแต่ช่วงว่างของศาสนาที่จะมีอันใหม่มาเนี่ยมันเป็นกลับจลับนี่มันบอกว่ามากกว่าล้านล้านล้าน แล้วถ้าเรารักษามันไปสักร้อยปีห้ารอยีมันจะสักษาถรักษาแบบไหนรักษาแบบทห่มันอยู่แบบนี้เลยมันก็นเท่ามนันเท่า เ, าเดิมมันก็ไม่ได้อะไรมากมานบาดนานมาแล้วทัว้งวันที่เรารักษามันก็เป็นบาสนานที่เพียงแค่บาดสนานที่เป็นบาสนักที่ดีไปมากกว่าือมนันรักษาหลังยืนยันเรามารักษาแขน แต่คนที่จะอยู่ในระดับของแก่นได้นี่ันมงน้อยค่ะคอลูกจะใส่าตรเยื่อถี่ททันตอนถึงสุดคือพระที่มาละตานะก็เป็นพระบทนะ ที่เราบริโภคก็ต้องใส่บาตรแต่ก็ต้องสิทธิ์ทีมาใส่บาตเหมือนความรับผิดอบที่เรานไม่านบาก็มีาเป็นงนั้นในิีนขึ้นมาคือถ้าเราจะทาบุญเพื่อตัวเราแล้วสมมว่าเราอยากจะใส่บาขึ้นมาถ้าเราไม่สามารถหาค่าที่ทาให้เราสมาได้เราเงินที่เราจะทำกับข้าหรือที่กัข้า ใส่ไปในกระปกก่อนได้แล้วรอเวลาที่เราไปหาพรที่เรามีทางมั่นใจเราก็ไปหา เ, เราก็จะได้ป็นหนชนครับการไดที่เ ง, งินที่เราใส่ในกระปุกนั้เราไม่ไปรือว่าเป็นของเราเราคิว่าเป็นเงนินของชระแล้วแต่ว่าเรายัางรอเวลาเอาไปถวนยไ่นั้นเองี่สุดม่กใเรเป็นนองหก็มันถ้ า, า, ถานี่น ม, มน ม, มันก็เป็นกรรมของเรา บอกเลอกนิมนต์ได so, so ้นะ่คะคือตอนแรกนิมนต์ท่านมาท่านต้มาใส่ทุกวันแล้วแต่ก็มีจะไลมาแค้นค่้าดินมีพมะเดินมีพระท่านเสียไปและทีกทีก็่ก็ไม่มีพระมารับบาตทเพื่อนบ้านเดี๋ถวนั้นก็รอใส่บาตรกันลูกก็เองก็โทรไปนิมนต์นะคะโทรไปคิดว่าหันว่าพะทาานค่ะทีนี้ท่านรับท่านก่ท่านจะมารับบาตค่ะ หรือเราจะคิดว่าเป็นการให้ทานอะไรก็ไ<ม>คือให้ขอทานไปให้<ม>กันเราก็เราก็ยังได้บุญจากทานให้อยู่เหมือนกันแต่เราอย่าไปเ อ, อย่าไปหวังอะไรจากจากท่านที่มันเป็นไปไม่ได้ท่านเป็นอย่างนี้เราก็ต้องปรับความเข้าใจของเราว่าท่านยังไม่ได้เป็นพระในระดับที่เราคิดว่าควรจะเป็น แตานก็เป็นคนเป็นคนที่ต้องกินข้าวถ้าเราคิดว่าเราจะเรามีความสงสารแล้วก็ให้ใหข้าวท่นรับประทานก่อเราก็จะได้เหมือนกันได้ทานเราจะดีเหมือนกันโดยการให้นี้เป็นการตัดความยึดติดในเงินทองของเราเองถ้าเราให้เราก็จะจะยึดติดน้อยลง แล้วจะทำให้รามีนทางบาาสบายใจร่าใจตใจฉะนั้นบางทีให้ให้สุนัข ก, ก็ยังมีทางตกใจได้ถ้าเขาไม่ให้ไม่กิดก็ไม่ได้บุญนะไมไม่ได้ไม่ได้ทานบาลินมันก็ไม่ได้ให้อาหารกับใจการทำดูให้ทานนี่เป็นเหมือนกับการให้อาหารแก่ใจนะให้แล้วเราจะเกิดความรู้สึกเอิดใจ แต่คามจิตใจ่ความขอใจนึว่าใจว่าเขาไม่ได้เป็นนิมนไว้เขาคงเล่้สิดอะไรตั้งหเาเป็นนิมนตไร้แล้วอเขาไม่ให้ก็เลยตัดใจไม่ทาเป็นทานนะเป็นทานก็ดียอย่างมันจะได้เป็นการสอนให้เรารู้จักการให้โดยไม่เรื่อกคน การให้แบบเลือกคนยังไม่เป็นสัมเพศัตตานะถ้าเป็นสัมเพศัตตาแล้วไม่สนใจจะเป็นคนก็เป็นเบลสารก็ให้ได้ถ้าคมีความจะเป็นจะต้องให้ให้ได้และจต่ศัตรูคนที่แย่งสามีเราใสา่หมวกก็ให้เขาได้ถ้าเขาเก็บไข่ได้ัวนี้เราไม่มีอาหารรับปานแล้วก็ให้ได้ ใอจะเรี้ยกับรครับจะมีาสีขึ้น่างัาได้ถถือว่าเป็นอุบายก็ได้ให้คนก็ได้ทำบุญใส่บาทส่วนท่านนั้นจะดีไม่ดีมันก็เรื่อง เราก็ไม่รู้คือท่านก็ยังเป็นพระอยู่แต่ว่าเราไปเห็นพระที่เป็นเทปแล้วมาเห็นพลอยทำก็เลยใช่มันเปนความเป็นเรียบอะไรเงี้ยอันนี้นะทำเป็นจริงๆถ้าไม่กคเห็นล้วก็อาจจะไม่รู้ส็จอะไรก็อยากจะคิดใหม่ว่านะําใจที่ว่าเป็นการให้ทานถ้าเราแต่ไม่ไม่เป็นถ้าไม่ด้เป็นหิ่ก็ที่ว่าเป็นทานไปนะ รเรียน่นว่าต้พยายามทแล้วก็ให้รับเรืนทนว่าถ้าไมป่ป่วยตั้งนี้ก็เหมือนไม่ไม่เห็นลงศพแล้วไม่หลั่น้าตาเขาจะเวลาที่ทาทีโมแล้วจะทรมานมากนั่นแหละเวลาเจ็บข้แรกสวยเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เห็นอริยะเนยมันยากมากนเวลาที่พระรนนาช า, า, า, า, าของะเจ้าก็บรรลุเป็นได้หน่อเจวันก่อนจะ ก็ลแล้ว่นอนสอนน้าทางนวมันก็เลยต้องสู้อย่างเดียวแล้วท่านมีโคช้ชคอยสอนคอยเศ้าสอนอยู่อย่างพระพุทธเจ้าคอยบอกคอยเนะ่ให้คิดแบบไหนอะไนั้นเขาคิดไปครับเดียวมันก็ไปได้ก็เลยต้องมาหากโค้ชมาค <c oughs> นะคอ พยายามพายามพอแก่ตัวอ่างเงินอาจจะม่้กเราไม่้จอาจา์ะหลบฝนไม่มีโผลอกมาแต่เวลาป่วยแล้วต้องเรียนท่านจานแล้วเป็นแบบทดสอบจำพันยิ่งแล้วเพราะว่าสติมันมักจะพลาดุครั้งเวลาที่เกิดเกิดทุกขเวทนาคะ ก็เหมือนเหมือนกับเราจะต้องเข้าห้องสอบเนอี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่ากานที้ไปเที่ยวไม่ได้นะ่าต้องรีดดูหนังสือถ้าถ้าก่อนงานานั้นยังมีเวลาหาผัดไปก่อนทํารุ่งทํานี่ก่อนแต่นี้เหมือนใกล้แล้วพรุ่ น, นี้จะสอบนั้นเนี่ยคืนนี้ก็ต้องบอกโอ้โหดูดูหนังสือทั้งคืนเลยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยพอมันเสร็จค่ายได้เสร็แล้วมันก็รู้แล้วว่าออกไปไหนไม่ได้แล้ กับเมื่อเมื่อเมื่อขาหักรุก่งในรุ่งเร็นท่านอาจารย์นี่มึงก็ตอนนี้ยมันได้มองเห็นตัวเองแล้วว่าเราหยุดท่าอยูเย่เมื่อตอนที่ระยะ ท, ที่เพิ่งผ่าตัดมาสักท่าหนึ่คือทำทำร้ารุ่งเริงคนติดต้องนั่งขัดสมาธิต่อรอดกว่าจะกว่า <c oughs> จะทําได้กว่าจะรงว่าจะอะไนใช้เวลานานมากแต่ตนหลังเนี่ยพอพ อ, อทําได้ ได้ทำสมาธิาไม่ได้ทำทีบบ่ร่างกาทําจิตร่างกายอยู่ในยีเยาบทไหนก็สามารถทําได้เพียงแต่ว่ามันมยีเรยบทที่จะให้ผลดีกว่ายีเรยาบทอื่นเช่นถ้านอนนี่มันจะเจอสติได้ง่ายๆคว่ามันจะหลับได้ง่ายถ้านั่งนี่มันจะเจอสติได้ยากกว่าแต่ถ้าเรามีสติแล้วเราอยู่ในยเททีเรยบทไหนแล้วก็ไม่ต้งองก็ เข้าชานตอนที่จะเสด็จไปพุทธงนิพพานพองก็นอนสีหส์หายายาแต่สติของพวกองนั้นมีสติปัญญาครบถ้วนบริเูรอยู่ในท่าไหนก็ไม่หลังท่า น, นสามารถทำสมาธิได้ทุกค้าพวกเราก็สามารถทำได้เสถีนยนแต่ผลจะต่างกันเลยมันมันสังเกตว่า พยายามนะคะในเรื่ความพยายามแล้วมันจะมีตัวที่ตังมันคงเป็นอารมณ์มันบอกว่าไม่ดีอะอย่าทําอย่างนี้อย่าเหยียดขาอย่าให้ยกขาเข้าเข้ามาพรยกแล้วมันปวดหรือไม่ก็มันก็บอกว่าค่อยขาถีมันมันสู้กันอย่างนี้สลอดอย่าไปขืนร่างกายร่างกายมันต้องให้เป็นไปตามธรรมชา เสแล้วมันก็เป็นโทษกับร่างกายอย่างที่พู้ะมันไม่ได้อยู่ที่ร่ง า, างกายการภานาเราอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตทำไอยู่ที่สติหักจะได้ผลมากน้อยอยู่ที่สติพยายามเรีสติเรื่อยถ้าไม่อยากจะพุกข์าก็ให้พึโธพโไปสวนมนตไปทำให้ใจ หรืวดูลมหายใจก็ใจไม่ควรจะปล่อยอให้ใจคึกคุซาไม่เกิดเอดปัา ไ, ไม่เดือกับทำถ้ามีอยู่กับวิปัสสนาก็ให้อยู่กับสมถะกับพิโรวสปวหัวหรือวดปที่ทาสสายประหลัดของใอยู่ได้อยู่คนเดียวอยู่บ้าน ถ้ามีมีธรรมเหล่านี้อยู่แล้วจะไม่ไม่ไม่รู้สึกเดือดร้อน <c oughs> แต่ถ้าไม่มีแล้วใจจะฟุ้งซ่านเราจะไม่สบายใจแล้วมันก็จะไปส่งผลกระทบกับการพื้นผิวของร่างกายทำให้หายชา้า <c oughs> การนั่งสิ่งที่มันกระปวดขึ้นตลอดเวลาเราพยายามจับดูว่าอันนี้มันจะจับให้มันเป็นความกลัวหรือเป็นอะไรที่อ่มันจะเกิดขึ้นจากกระดูกที่หักตรงส่วนที่เราดูวันที่มันหักทันทีนะคะแล้วมันทิ้งออกมาตรงนี้มันจะขึ้นตลอดเลยเห็นเลยแต่ว่ามันค่อยอยู่ค่อยอยู่คือวันนั้นดูมันอาจจะเป็นเร่ฝังหรือติดอเนี้ย ก็พยายามทําอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าคือเอาส่วนที่หักนีออกมาแล้วเอาไฟเผามานันมาทำให้ยานขณะที่เอาไฟเผามันก็รู้สึโกโ่ามันปวดมากก็เผาไปเรื่อย เ, เ, เอาความปวดนั่นเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการถูกไฟเผ า, <ก>าเพราะเผาจนกระทงมัน มันกลายเป็นที่เท่าไฟดับไปแล้วมันก็จะมันก็จะหายหมถ้าเขาเน้นเน็นขั้นที่จิตมันปล่อยวางแยองกออกจากร่างกายแล้วแต่าะฉะนท้ารเสร็จส่วนของร่างก า, ายได้ะบังคั บ, คบไม่ได้บังคั บ, คบมไม่ได้ไั่ต้องเป็นไปโดยธรรมชาติโดยเมื่อติดปล่อยวางโดยผมว่าร่างกายนี้น่ตายที่เท่าจะแล้วเนื่องจา แต่ใส่กระดี่าเลยต น, นั้นใจถ้ามันถ้ามันจะปล่อยมันก็จะแยกออกมท า, า, าที่้ท่านคือส่วนที่าหักนส่วนที่เป็นหวใจต่างๆบางครั้งเกิดขึ้นหลายหลายส่วนในร่างกายแต่ตั้งแต่อาหักมานมันจะเกิดส่วนนั้นส่วนนี้เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไปฝังอยู่ในอันนั้นหรอือเปล่า ก็คงจะเป็นอย่างนั้นว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราแต่ก็ให้ดูอันนี้เราก็เราก็ดูส่วนอื่นไปก็ได้การใช้จ่ายเราดูได้ตลอดเวลาขนขนเล็ันนี่ยเนเนื้อดูสภาพที่มันเริ่มเริ่มเสิ่มสลายไปเนื่องตายไปสามวันตายไปห้าวันไปแลแมในรางกัย กระจัดกระจายมั like my, like ิตมันจเกิดแต่การดึงดันไปทางนั้ก็กไม่ได้ที่นการดีหนักทุกอย่างเพื่อซ้อมดีว่พอมันจะเกิดขึ้นใจมัจะได้ไม่หัวแต่มันรู้แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างไรได้มันมันบางทีไม่ต้องพิจานณาทุกอย่างมันเอย่างใดอย่าง เห็นแล้วมันทำให้เราตรงได้ใช้ได้แล้วทำให้เราที่ว่าเรานี่ยังไงงในที่สุดมันก็ต้องตัวคนเดียวเฉยเขาจะยังไงมันก็เขาจะช่วยเราเราไม่ได้เมื่อถึงเวลานั้นถึงเวลาที่ร่างกายมันกลายเป็นที่เท้าที่ฐานแล้วใครจะมาติดต่อเราได้เราก็ต้องไปตามตามดวงตามกรรม ตอนนั้นใครเนี่ยพเราเนี่ยแต่ตอนนี้เราไปไปตามหลวงปู่เพียงได้เหรอ่านก็ต้องไปของท่านท่านไปวิมุตตแล้ว <c oughs> กบลไปไม่ได้ก็ น, นั่นแหละเราก็ต้องวิมุตตอะ่ะเห็นไหมถ้าเราไม่วิมุตตแล้วเ ร, เราก็จะไปแบบผีเป็นไปแบบเปรด ถ, ถ้าเราไปแบบปล่อยวางเราไปแบบอัจฉริอัตโนนนาโ์โถไม่ทิเงจะเพื่องไค แค่ร่างกายนี้จะไม่ไม่ไมพึ่งร่างกายไมยึดไม่ติร่างกายมันจะเป็นอะไรได้ไมันเป็นตปต้องทําอย่างนี้ทำที่ที่ปฏิบัติมาทุกอย่างนี้เป้ามาเป้าหมายมันอยู่ตรงนี้เนะี่ยแต่เรายังยึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆยึดติดทุกคนนั้นคนนี้ยังเสียดายยังหวงยังหวง มันก็เลยไปไม่ถึงไห น, ม, นมันก็อยู่แบบนี้ทนะ <c oughs> ุกข์ว่างทุกข์ว่างถ้าอยากจะไม่ทุกข์เลยก็ต้องปล่อยให้หมอนั <c oughs> ่นจะเกิดคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นนี้เราก็ทุกยยขนะ์ใจแทนเขา แต่วันงงนี้เป็ น, นอย่างนั้นตอนนี้อ่านแล้วก็ตื่นใจตอยู่เนี่ยแต่ถ้าเราปล่อยนะเ ร, เ, ร เ, รนเรา เ, เรารู้แล้วก็ต้องเป็มเขาก็เป็นเราก็รู้สเสียเราไม่้แต่เราก็ยังทําหน้าที่เพื่อนที่ดีเหมือนเดิมอยู่รงพยาบาลก็ไปเรื่อ ง, ของเขาเขาตายเราก็ไปงานศพแต่เราไม่ร้อ ง, องห่มร้องไห้ไม่ต้องวุไม่ อะไรเท่านั้นโอเคอย่างนี้ไม่ดีคะนาดทุกท่านยากรนะหว่างคาไเป็นอุเบกขาและควา ม, มน้าใจเลยนะคะตรงนี้ด้วยการอุเบกขาก็มีน้ำใจได้ตรง น, นี้มันมถ้าอเบเถ้าไม่มีอุเบคาแล้วไม่มีน้าใจนี่มันไม่ใช่ อ, อเบก เป็นทางที่เกียจเป็นความเห็นกตัวเป็นทางกสนิทไม่เป็นทางเกลียดเล็กๆก็ได้ทันไม่ได้จะมีแต่ขาไม่มีน้ำใจของนี่มันมันต้องเป็นในใจมันเหมือนกันมันเป็นทางลึกไปกแบบหของวเราเวลาเราเฉยมันชฉยดับเฉยเลยเยอมากกว่า แต่เฉยแบบบุปเบลขานี่มันไม่ได้เฉยมันมีปติปัญญาผมบูรณ์มันรับรู้มันมันวิเคราะห์ทุกสิทุกอย่แล้วก็ดูว่าควรจะทําำยังไงมจะพูดอย่า ง, งไรในความเฉยเมื่ออาจารมีความสงสารอยู่<อ>มีความสงสารอยูอมันก็มีเมตตากรุณาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าตัวไหนมันจะออกมาเป็นตัวนำตรงนี้นถ้ามันไม่มีเหตุที่จะ เ อ, really เอาตัวสงสาออกมากรดูสงสานีันก็อยู่ทั้งวันเมือางทีมันก so so so ็เราใช้เมตตาเมื so ่อเวลาเจอกานก็ะชากทายในยิ so ้มแย้มแจ่มใสของควาวตกให้ต่อดสารเรืองเมตตาถาเขาเดือดร้อนเกิคได้ได้โปไม่มีใครดูแล้วาก็รับเขามาดูแลอันนี้ก็สงสารนี่แต่ว่เอไถ้าเขาได้เดือดร้อดีทานสุขเรก็อินดีด้วย ใครจะไปเที่ยวไหนก็ยินดีมีความสุขไม่อยกดูเราอีกฉาเราไม่ได้ไปเขาไปเอ่นี่ยเราไไม่ต้องถ้ามันไม่มีความจาเป็นจะต้องเมตตากรุณาหรือมุทิตามันก็เฉยเมันก็มันก็โเขาไป เวลาจิตมันไม่มีกิเลสหรือว่าจิตที่มันสงบแล้วเนี่ยมันก็จะมีไอ้ไอ้พร ม, มิธานสีปร า, ากฏขึ้นมาเป็นเป็นธรรมชาติของจิตที่แสดงเนี่ยพวกคนที่ได้สมาธิจริยงแต่ได้ขั้นสมาธิเขาก็มีพรมิธานสีเพียงแต่ว่าของเขาเป็นเพียงในแต่ในขณะที่อยู่ในสมาธิถ้าพอออกจากสมาธิแล้วถ้าจิตก็ไปเห็นอะไรที่เขาไม่ชอบก็ก็หายไปได้ แทนี่จะเป็นเมตตาก็จะเป็นความเกิดได้ไปเห็นคู่อะไรคู่แคนเวลานั่งในสมาธิก็สบายพอออกจากสมาธิมาเห็นคู่คู่อะไรเองมันก็เกิดความรู้สึกเกลียดชังขึ้นมาเพราะว่ามันมันมันไม่มีปัญญามันไม่สงบแบบแบบสงบด้วยปัญญาถ้าสงบด้วยปัญญานี่ ไไหนมาไหนเห็นใครเนี่ยมันจะไม่มีอารเพราะมันมีสติสัญญาคอยคุมอยู่เพราะมันจะมีอารมณ์อันนี้มันก็นจะรู้แล้วอ๋อนี่กิเลสนะหมายความว่าถ้าตัวนี้เรายังดับมันไม่ได้พอมันเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าอ๋อนี้กิเลสนะต้องต้องจัดการมันนะ นั่นจะว่าภูมวิหารสีนี้เป็นเป็นเป็นส่วนที่ทเป็นธรรมชาติของจิตที่สงบเพราะว่าไนดะ้ถ้าจิตสงบแนละ้วมันจะมีภูมวิหารสีแต่ถ้าเป็นจิตสงบด้วยปัญญาที่เป็นของพระอริยะนั่นเองก็จะเป็นตลอดเวลาไม่ว่าจะนั่งสมาธิหรือไม่มก็ตามเวาสัมผัสรับรู้เรื่องราวการกระทำภูมวิหารสีก็ยังมี ก็อยู่ตามขั้นกันด้วยนะมันขั้นขั้นขั้นแรกก็อาจจะมีไม่ครบบริบูรณ์ไม่เหมือนกับขั้นสุดท้ายมีครบบริบูรณ์เพราะว่าขั้นแรกขั้นก็ยังมีกิเลสที่ยังออกมาทำลายพร ม, มิหารได้เ่็ยังมีราคะมีปปิคะอสดาบันขั้นก็ยังเกิดความ ตได้ถ้าเกิดใครไปแตะต้องสิ่งที่ท่านรักนี่แต่ท่านจะไม่ไปทำร้ายผู้อื่นนั่ น, นท่านมีสิทธิ์พอที่จะระงับการกระทาที่ไม่ถูกต้องได้แต่ภายในใจของท่านก็คงยังขุนโมยอยู่ที่ใครไปคุยกับแฟนของท่าน <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าท่านไปถึงขั้นนาคาเมียแล้วท่านก็ไม่สนใจแล้วเรื่องของแฟนเพินเรื่องของร่างกายถ้าอยากจะเอา้ากสบไปก็เอาไป <c oughs> ก็ท่าเห็นซากศพอยู่ตลอดเวลาเวลาท่านเห็นหนางงานตะวันี้ท่านไม่ได้เห็นอยากที่ขวงเราเห็นซากศพเดินได้ แต่ท่านก็ยังมีความหนุนหนุนใจในเรื่องอืน่นเรื่องของภายในจิตของท่านเป็นส่วนเนี้ยจิตของท่านก็ยังมีกิเลสที่อะไรอีกท่านก็ยังไม่มีส ม, มิหานร้อยเปอร์เซ็นเวลาจิตสงบแล้วเวลาความสุขในจิตนี้หายไปท่านไม่จะหนุนหนุนใจในขึ้นมาะ ความสุดในควาสมสงบั้งจิตที่มันละเอียดแต่มันยังเป็นนิจจังมันไม่เคีื่แต่พอท่านผ่านการนี้ไปะล้ทีนี้ท่านก็จะไม่มีไม่มีกิเลสตงียอยู่แล้วก็ทีนี้ก็จะเป็นสม ร, ริหารสื่อตลอกเวลาใครจะดาใครจะว่าไงก็ก็เฉย สงสารก็ใช่สาสารถือว่ากําลังสร้างอารมณ์ให้กับตัวเองเพราะกรรมมันอยู่ที่ผู้กระทําใครทํากรรมมได้ไว้ก็ต้องรับผลขอ ง, ของกรรมนั้นผู้ที่ถูกกระทําไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ต้องรับผลกรรมเป็นแต่เป็นแต่าอาจจะเป็นรับผลของกรรมที่ต้องต้องมาเกิดต้องมาเกิดอยู่ในโลกของจัลเสริะ น, นั่นเองค่ะ าจยของท่านไม่หลุดจากการสรมพันธ์นิทาแล้วก็ไม่เป็นสถหาอย่ังที่ลุกศิษน์ลูก้าบางบางท่านอาจจะโทรแค้นเทนแทนครูบาอาจารย์เวลาใครชอาไปว่าครูบาอาจารย์แต่ตัวท่านเองท่านไม่ได้เดือดร้อนเใครจะว่าก็ว่าไปฝากของเขแต่พวกเรามันยังร้อนแทนท่น ว่เรายังยังไม่ได้ต่อยว่าก็ถ้ได้ยินว่าเราไม่แก้ก็เหมือนเราไม่ปกป้างกุารการไม่เกี่ยวกันไม่แก้อะไรแก้ผ้าอะไรไม่ใช่อไม่เขาว่าได้ยินขึ้นมาอย่างนี้เราบองไม่จริงเราก็ต้องปกป้องาากุมารการเราอย่างนี้ก็ถ้าจะพูดได้เหตุด้วยผลก็พูดได้ถ้าเขาฟังอย่างเงี้ยเห็นไหมฟังไม่ฟังไม่รู้แต่แตกลัวจะไปไ<ด>ทะเลาะ ก, กันจะไปว่ากันจะไปตีกันปท่หน้าใครว่าหลงตา พอฟังก็เสร็จแล้วก็ขอพูยกับเขาดูทำความเข้าใจกันวนะ่าสิ่งที่คุณพูดมานี่เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะอย่างนี้ถ้าเขายังยืนยันที่ก็จะเชื่อในสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ต้องเคารพในสิทธิของเขาเราไม่มีสิทธิที่จะไปโกรธเขาทางโกรดนี้เป็นเป็นความร้ายกาจของเราเพราะมันสร้างความทุกข์ให้กับเรา ไม่ได้ทา้งคำทุกข์ให้กับเขาเวลามาเกิดเหมือนกับทุกศีรษะเองเองคนนี้ก็เจ็บนะเห็นไหมคือเรโอกาสที่แจงก็ที่แจงไปแต่ถ้าเขายืนยันด้วยเขาไม่สนใจที่จะรับ ก, การที่แจงแล้วจะทำอย่างไรได้ก็ต้องอเบิดขาเลย เพชรยอมเป็นเพชรอยู่ดีล่ะ ท, ทองย่อมเป็นทองอยู่ดีแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับเราเท่าไหย่ครับจริงคือฐานะลูกศิษย์อาจารย์ก็ฐานะหนึ่งแต่เรื่องของคนอื่นที่เวลาท่านไปว่าท่านมันก็อีกเรื่องหนึ่งมันนละเรื่องกันฐานะของลูกศิษย์ของอาจารย์ลูกศิษย์ก็ต้องเชื่อฟังอาจารย์นะนั่นเองอาจารย์ก็สั่งสอนลูกศิษย์นี่คือ นี่คือความสัมพันธ์แต่เรามากักจะมีอุปทานยึดตัวท่านเป็นตัวเราของเราใครมาแตะต้องไม่ได้อันนี้เป็นกิเลสแล้วรูป้ปะเหมอนศาสนาเนี่ยท่านบอกศาสน า, าเป็นของเราเราต้องนักษาใครมาเป็นหนอนเป็นเป็ น, ปนมแมลงมากัดมาแทะเราก็ต้อง จัดารอย่างนั้นลรากับศาสนาเราไม่มีหน้าที่ปกป้องศาสน า, านนหน้าที่ของการปกป้องศาสนาก็คือการศึกษาให้รู้อย่างถ่องแท้แล้วนําเอาความจริงของศาสนา น, นี้ไปทําความเข้าใจจากผู้ที่ผิดอยงเดยแต่ไม่ได้มีไปเพื่อไปทําร้ายผู้ที่มาทำน า, านาศาสนาการไปทํำร้ายผู้อื่นนี้ไม่ใช่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า การไม่เบียดเบียนกันเป็นคาสอนของพุทธเจ้าการไม่ทำร้ายกันท่านวอให้สลับชีวิตเพื่อรักษาธรรมไม่ให้ไปฆ่าเขาเพื่อรักษาชีวิตเราหรือรักษาศาสนาเราเพราะการฆ่านีเน่เป็นการผิดเป็นไม่ว่าจะฆ่าด้วยเหตุผนลนกลไกใดมันผิดทั้งนั้น มันมีผลกับตัวเราเองมันมีผลเสียต่อผู้กระทำ <c oughs> ผู้กันเหมือนกันใปดา่าเขาไปตอบโต้เขาด้วยวาจาอยากคา ย, น, าาายาานั่นก็พอนึกได้เมื่อช้านี้พิณระบายก็เจออีกแล้วดกัน <c oughs> น้องพี่น้องถลาะกันห <c oughs> ม้าก็สายไปแล้กัมึงเราไมฟังสายแล้วก็เดินหนี <c oughs> ตอนนั้นมันรู้แก่โทรศัพท์แล้ยไม่ได้แล้วเขายังใส่เงินด้วยแล้วก็มึงก็ขายกูกันมา่เดิมเห่เดิมพี่น้องกันขายของอยู่ที่ร่านมันเปิดอเลิเรื่องอะไรกันมึงจะรู้เพราะธรรมดาคนลราเวลาสอนนะมันก็จะติดคติมันก็หายหมด แต่พวกนี้เจริญก็หัวล้ากันมันก่อนก็มีงานหัวหน้าผูงคนนี้เขาก็ไปร่วม ง, งานหัวหน้าแต่เขาดึงสุรามากไปห่อยแล้วเขาก็ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปกับพบร์แล้วไปเสี่ยวคนกับรถดิ่งนอนกลางถนนนิ่งอยู่ประมาณสามสีน า, าทีพอที่เราดเดินไปบาททางไปเขาตะล่อมไปตัวเขาเพิ่งสายบาทไปอยุดหยุดแล้ อีก2องวันก็าก็มาใส่บาทพาเขียวบอกว่านั้นเมาเลยหน่อยก็แล้วเมื่อวานนี้มีงานบวนะถ้าเอาอเลยนะเขาดีกองยาวก็ไปน้อกับท้อยเลยไม่เข็ดชีวิตเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านหามันมีอำนาจมากความรักสนุกม like ั่นลืมหมดน่ะ เราไปถึงไอ้เสียงเลยนะมาของท่านเจนคูนที่วัดคุกทองค่ะเขาอยู่กับท่านมาตั้งนานแล้วก็เขาอยู่ประทุมพันนี้เขาอุตส่าห์ตามท่านไปอยู่ที่ ท, ที่บ้านทุนแตแล้วท่านจังก็เราให้สังว่าจริงๆเขาเป็นเพื่อนท่านมาหลายสุชาตนะิแล้วแล้วก็เป็นลูกคนรวยแล้วก็ดีเขาเมาเมาเล่าค่ะแล้วเขาก็ กับมาเกิดชาตเนี่ยเป็นชุนัขแล้วเขาตามขึ้นมาแล้วก็ถ้าอาจารย์เล่าว่าถ้าในเขารู้สึกตัวแล้วรู้สึกตัวผิดแต่ว่าในในวัดเนี่ยถ้าวันไหนมีคนที่เมามาเขาจิกัดเลยค่ะถ้าสงสารท่าน อ, อยู่ตรงอ่างที่นี่ค่ะ <laughs> <laughs> พวกจิกที่อยู่กับพระนี่เรเคอยอุปถัมภมาก่อนค่ะ เราก็ไม่มีญาณจากกาัน <laughs> คือบางตัวมันอาจจะมีแต่คงไม่ใช่ทุกตั ว, วนะก็ตัวที่มันมาใกล้ชิดตัวนั้นมันจะมีแต่ตัวที่เขาอยู่ส่วนของเขาเขาต้องการมีไม่ก็มีความปลูกพันธ์กังไม่ว่าจะเป็นต่างเทศต่างวาย ต, าต่างชาติต่างมนุษย์ต่างสาัตว์อันนี้ก็ ถ้าจิตมีตามผูกพันกันเขาก็จะเข้ามาหากันเพราะจะไม่่อย่ขัวกันพวกเราไม่ต้องมีจิตเราเป็นสัตว์นี่ตามรันก็อยู่กันนั่นแหละเราต้องเป็นสัตว์มัจะไม่มีอะไรกันก็คงจาให้เข้ามากันหรืออาจจะไม่ไม่มีอะไรกันโดยตรงแต่อาจจะมีความชอบที่เหมือนกันชอบธรรมะด้วยกันก็ อ, อ, อาจจะมาเจอกันโดยความชอบก็ได้ อาจจะไม่ได้เจอกันเพราะว่าเคยเคยรู้จัดกันมาก่อนและเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เป็นประเดอนสำคัญจะพิจารณาก็ได้อแต่อย่าไปให้น้ำหนักกับมันมากมันจะเสียเวลาเปบ่าให้เวลากับการดูดูจิตของเราดูว่ากำลังสมุกําลังปลาทางสมุดไทยหรือไปทางมาไทย เราทดลองจะจะเริ่มเดินได้เมื่อไหร่คุณ่าตอนนี้มันต่อแล้วค่ะเป็การต่อแล้วแต่ว่าหมอเขาบอกให้ลงน้ําหนัก อ, อ, อยังไม่ให้เดินแต่ว่าให้ล ง, งทดลองดินลองล ง, ล ง, ลงครึ่งเท้าลูกก็ยังทําไม่เป็นครึ่งเท้าบนด้านในก็วางไว้เฉยเวลาวางไว้แล้วก็ปล่อยให้น้ําหนักมันลงไปแต่อย่าอย่าเพิ่งกดมันนั <c oughs> ่ง่าบนี้นะคะ นลองเอาลองเอาลงวางแล้วองขยับขึ้นลองขยับขึ้นนิดเดียวขยับขึ้นนิดเดียวขยับขึ้นิดเดียวไม่ต้องมาอย่างเหมือนกับฟันเนี่ยถ้าเราปวดเราเราก็ลองคิ้วมันทีละนิดก่อนพอเคี่ยวแล้มันไม่ปวดแล้วคิ้วมากขึ้นหักขึ้นพอไปถึงจุดที่มันปวดเราก็ลองหยุดเคี้วออกมันไม่ปวดแต่อย่าอย่าอย่ารีบร้อยนะที่ใส่ค่อยไป หมอก็คงอยากจะให้เราเรื่องเป็วลาที่จะใช้ได้ก็อยากจะให้เราเลื่องอะได้นเป็นการทำกายภาพบหบัดแต่ถ้าปล่อยมันอยู่เฉยๆนานๆับต่อตนเชื่อนเป็นการที่จะเป็นยึดตดแต่ถ้ายังไม่ยรดต่อแรกก็ต้องพยายามรู้รับเลยครับนี้ของคนที่จะรับอย่างนี้ ๆๆๆแต่ไม่สำคัญ้ะเรื่องร่างกายสำคัญจิ ต, ตใจแรู้ว่าเขาดีนะคับใจใจใจใจไม่คือควาทุายเาทเาใจใมใเจ้าหลวงแต่กใใ็รัรับารเท่ า, า น, น, นัาา้นเาเน ยังจะยังจะดูข้าหมองกว่าเราต้องการเขาา้งานละมากเลยทุกทุกทจะอักเสบนะผมแค้เขาก็เลยบอกว่าพยายามดูอย่างที่ท่านอารสให้ดูดูทุกแต่ตอนนี้มันดูว่ามันทุกไปหมดทุกเวลาเลยดูไม่แต่ดยทุกไปดูทุกที่ร่างกายไม่ไปดูทุกที่ใทุกที่ร่างกายนี่ไป ไ ป, ไปเปลี่ยนไม่ได้มันต้องเป็นไปของมันแต่เราไปดูทุกที่ร่างกายแล้วอยากจะให้มันหายมันก็เลยไปสร้างทุกที่ใจทุกที่ใจนี้มองไม่เห็นเห็นทุกที่ใจว่าเกิดจากความอยากให้ทุกที่ใจหายมันก็ดับความทุกที่ใจนะทุกที่ใจเป็นยังไงก็ต้องน้อมรับเหมือ น, นกับรับการลงโทษเราทำผิดแนละ้วเราต้องหวัวเราละ ก็อือเขาคือเขาตีการเจ็บไข้ทรมานทางร่างก า, ายนี่จะเป็นเหมการรับโทษถูกโบยอย่างนี้เพื่อทําผิดแล้วก็ต้องยอมรับเมื่เราดําเนินชีวิตของเรามาแบบนี้มันก็ส่งผลให้มาเป็นอย่างนี้เราก็ต้องรับผลของมันทางร่างกายแต่ทางจิตใจเราถ้าเรายอมรับความผิดของร่างกายทางจิตใจเราก็จะไม่ต้องรับโทษอีกเช่น จะไม่ต้องทุกข์ทมาไปจากร่างกปทอมเขายขขากนะมีความเสี่จะให้ให้แผนแผนที่ทําของน้องตาอยากงานศพ mm hmm. ให้มาแบบเตรียมปรอมมาฟังแผนนี้เถลยเหมือนกันเลยน้องตาก็เท่ให้กับคนที่ก็เป็นโรคโรคาเลยหมอบอกว่ามีเวลาหยือที่หกเดือนคุณทอประนันก็เลยตัดสินใจว่าไปรักษาใจดีกว่า ร่างการนี้หมก็หรักษาไม่ได้นะในตอนนี่ร่งอจ่าไปไปพักอยู่ที่รังส่ า, ากังส่าในช่องตอนออกพรรษาปีสองพันห้ายสิบแปดครานี้เป็นปีแรกที่เราไปอยู่เราก็อยู่ใน้านหละพอปาี<ม>าปลาออาุงจ่าก็ไปโสดปเทศแทุกคืนน้จ่าเลนก็นมาพูดมาเล่าให้ฟังตอนเจ้าว่าประเทศไปตรวจไปอย่านั้น สงสารก็น่าจะบวชมานี้ไม่เคยเมตตาใครอย่างนี้แต่เห็นว่าเขาเขาเขาพุ่งมาสร้างใจมาจริงๆเขาไม่มีที่พึ่งเลยนะเขาเาไม่ไม่ไม่ไม่ห่วงเรื่องร่างกายนะก็ขอมารักพาจตใจทุกๆวันเมตตาอย่งทีุ่กคนน่าจะช่วงที่ท่านสิตลาหรืคืนที่ท่านั่งเทศน์ให้ฟัง ดนนันั้นท่านเ็ต้อเทศให้พระอีกประมาณสเจ็วันเจ็ดวันแวทนึงท่านก็ต้องอเรียนพระสะักครั้เพราะถ้ารู้ถ้าไม่อบรมงาน น, นั้นเดี๋ยวใจของพระจะแตกกันเราจะไม่อยู่กับร้องกับร อ, อย <c oughs> ต้องคอยขนานอยู่เรื่อยๆดั <c oughs> งนั้นจะเทศไหวอย่างในสี่เก้านี้สี่ห้าวันท่มีทั้งสี่ห้าวันห้าหกวันที่ท่านเรียกสกมบูร ดัง <Okay. S 2> นนธรรมะนี่มันมีความสำคัญต่อการรักษาแต่เป็นสำคัญมากเพราความทุกข์ใจมันทรมานกว่าความความทุกข์ทางกายหลายร้อยเท่าถ้าความทุกข์ทางใจนี่ในึ่งความทุกข์ทางกายที่มันมมนินเดนเดียวเมือกับเรา ได้รักษาโรคไป 99% นะเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวเท่านัน้นเองร่างกายนี่โรคเร่อความเจ็บปวดของร่างกายนี้มันเียนเปอร์เซ็นต์เดียวแตความทุกกรรมาันใจนมีน 99% ถจมากๆไม่หาหวเลยนะจิตใจก็ใจไม่ไม่ไม่เป็นอย่างไรใจมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลย ยาเ็นแตรู้เฉยๆมันเกิเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความเจ็ของคนอื่นเขออาเงรู้ว่าเขาเจ็บแต่คนคนที่รู้นี่ไม่ได้เจ็บ ด, ด้วยเป็นเขาผู้ที่สร้งว่ารักษาทใจนี่ไม่ไม่ต้องปล่อยปล่อยทาง ก, กายอายุยืนขึ้นมาว่าเือนนโดยโดยค<ฆ>นฟายได้มันนักจะเป็นอย่างนั้นคนที่รักษาใจได้ดีเขอวิ่เป็นยืนดีกว่าคบาอาจารย์เนี่ยเก้าสบสี่ ว่าใจของท่านไม่ไปกระทบกระเทือนกับการทํางานของราชการดูหน้าตาของท่านเลยอายุของท่านขนาดนี้แต่แต่ถ้าคนะคนคนที่อายุเท่ากันนี้จวหน้าตาต่างอย่างเรานี่มีเพื่อนอายุรุ่นเดียวกันเนี่ย ผ, ผมเราขาเหมือนกันองเราอย่างหาทำไม่ได้ เหมือนกับคนที่เป็นนายกกับที่ไม่เป็นนายกเวลาเป็นนายกนี่ใจเครียดมากมันทุกข์มากปัญหาทุกอย่างมึนแล้วอยู่ตลอดเวลาหน้าตาแก่ลงทันทนะีแต่พอพ้นจากตำแหน่งไม่กี่ปีเนะี่ยดูหน้าตาเขาขับหนึ่งขึ้นเพราะความเครียดไม่ค่อมีมีน้อยลงความทุกข์ทางใจมันมีผลกระทบต่อทางร่างกาย ทำให้อายุยืนหรืออายุสั้นเนี่ยก็ะยชน์คืทุกข์มันไม่ทุกข์นี่ถ้าให้พูดถึงปัปจจัยส่วนเองคนะือ mm hmm. อาจจะมาทําให้ท่านอายุสั้นก็ได้เป็นโรคไปติดเชื้อโรคมาหรือเป็นเรื่องของกรรมเก่าของท่านอะไรอย่างนี้เกัเป็นเครื่องแต่ถ้าเราไม่พูดถึงปัจจัยเหล่านี้แลพูดถึงเรื่องใจกับกายเราก็ใจดีถ้าใจดีอายุมันก็ต้องต้องยืนยาวนั่นก่คนที่ใจไม่ดี คนที่ใจไม่ดีบางทีร่างกายไม่เป็ น, นอะไรก็ยังไปทําลายมันเล้ฆ่าตัวตายก็เข้าใจมันไม่ดีใจมันทุกข์เลยไม่ใช่ร่างกายคนที่ฆ่าตัวตายนี่เพราะใจมันมันฉุ ด, ฉ, ดฉุดไม่ดีแล้วแหละมันทุกข์เสียใจทั้งวันจะ้งคนอยู่ต่อบไปไม่ได้ก็เลยต้องฆ่าตัวตายที่ว่าการฆ่าตัวตายจะเป็นการแก้เลยแต่ผมไม่รู้ว่ามันไม่ถึง ปัญหาไม่ม ไ, มได้ม่ไอยู่ที่กายมันไม่มันอยู่ที่ใจเหมือนตอนที่พระพุทธเจ้าทรงอดปัจอาหารสี่สิบเก้าวันพอลงก็ะทงที่ปัญหาอยู่ที่กายที่ว่าถ้าอดอาหารนะทีเลสมันจะตายไปกับการละทานกิเลสมันไม่ตายปัญหาใม่ดับมันก็ยังมีเหมือนเดิมเหมือนกับไม่ได้อดอาหารท่านถึงต้องกลับมารับประทานอาหารกลับมาแก้ปัญหาที่ใจมาเจริญสมถะวิปัสสนา มาฆ่าคินเนื้อแกะนี่มันลูกขันจังหวัดแม่แก้วท่านเป็นมะเร็งท่านอยู่มาได้ตั้ง20ปีแล้วใช่ะอ้โหทั้งลำบากมากเลยน ะ, ะถ้าปวดไปทางกายเนี่ยท่านลำบากมา ก, กนั้นทางภาษาอังกฤษนี่แหละลูกอ่อ า, านที่คุณหมอเป็นสีบันทึกนะคะ ที่เป็นในหนังสืงอา ง, ส ง, งานสดแทนนี่คืองานเจดีในท่านมีหลายคนใจคนที่เขาอ่านประวัติท่านแล้วก็บอกเขาได้กําลังใจนะเห็นความเด็ดเดี่ยวเห็นความอดทนของท่า น, านกท็ทาให้เราคิดว่าท่านเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงเนี่ยท่านทําได้แล้วก็ทําได้เมื่อก่อนน้างว่าท่านจะทิ้งชายเนี <c oughs> <c oughs> ่ยนี่มีผู้หญิงเนี่ย มาเป็นตัวอย่างนะท่านที่ท่านตาบอกไปคนที่อ่านระวัาดของท่านหลายคนผู้หญิงญาติโยมที่เขาอ่านเขามาเล่าให้ฟังว่าต้องมีมีทํามรูม้สึมีกําลังใจมีความเยื่อมใจกับท่าในการปฏิบัติอ่ <c oughs> างเนี่ย ษาไทยีต้่แกที่ไได้แล้วได้หมดครบได้แล้วเราก็ได้พูดเข้าไปเอาราอไม่ใช่ฉนไม่ใเรื่องของเร่ใหม่เรื่องนั้นเใหม่เพราะตั้งใจอินทร์ทําทใหม่เรื่อจากวันเกิดท่านจะมีัลงเป็นจดหมายขององคุณร๊อคคุอเป็นยงอยู่ที่วัดท่านอ่ไม่ท่านไม่ไหวแล้ว ตอนนี้มัเป็นถอดายลยเลยเที่ท่านมันคือไกวแต่ท่านก็ยังโห่บางทีท่นกรหลวงปู่จามกันใช่ใ้เปนสีน้องสาวเป็นคเขาาไปที่วัดเขาไปด้วยกันเองไปเนไปอยู่บ้านจ่ากก่อรบะครบนัก็าไปอยู่กับคุณแก้วอันรติว่าวตาม ่อดทนนนกรงไปดูแลท่านด้วยเนาะท่านดูแลคุณแม่คุณแม่แก่านตอนน้งเริ่มไม่สบายเมคุณแม่ลำาสือเต้นแล้วบอกว่าจะอยู่ไม่ทีควงบอกให้เตรียมงานจบกลับไปเท่านการฝึกใจก็ไม่ค่อยสบายเลย ท่านทก็เป็นกำลังสาคัญในการทํารื่อนี้าหงตาท่านไว้วางใจท่านอาจารย์สุใ จ, จเกี่ยวเรื่องเรื่องเพศท่านธรรมะแกๆท่านก็ต้องท่งตัวเท่านยังมีเวลาว่ามีกำลังอะไรยะหลังท่าก็คงไม่ได้สยท่านานสุใจผอยจงรู้แล้วว่าอะไรอะไรจัดออกได้อะไรตัดออกไม่ดออได้ต่ามาจน ก็เหมืนเข้าใจเงนผ้านยืจำได้เหมือนกัน่านอจก็เหมือนท่านอาจารย์แล้วไม่ได้ออกไปไหนเลยท่นอ่ไม่ออกเลยเขารบรักหลงตาต้องฉันเสร็จคนก็เข้าทีุ่บอาากตีเราท่านอยู่ตัว้าพเราอยกฏิทาน แล้วไม่เคยไปนั่งคุยเลยตอนที่เจอกันก็เจอตอนนั้นจะมีบ่อน้าอยู่หนึบ่อเราจะสยานะที่เซอร์สเราจะงาเขาเล่นที่หนาหลังจากปัดาดเสร็จแล้วก็ทำงานเาจะเปส่งตามแบบที่บ้านมีที่สองบ่อบ่อที่ข้างข้างที่ติดหนาจร้แล้วบ่อที่อยู่ใกล้ๆสารานั่นจะเป็นบ่อหลัก ทั้งใจไม่น้ำบ่ออยู่ทั้งทีไม่ได้เดินท่อจากที่มาแต่ได้บ่อนเ็นบ้านโยนนี่เน่าหมดเลยเน่าไม่พอใจเน่าแล้วจะทำไงจะทแล้วไม่ได้ใช้น้าที่นั่นเห็นบ้านมีน้ำปะปามีน้ำประปาทาง้านทุ่งหญิงทงด้าโยนั่นจะมามันเดินท่อไปเดินท่อท่อคือเจ้าปลาไปอยู่เนี่ยนะครับ แต่เสะใหญ่ที่านกันตอนสัยคอนนี่หมูตาเคยมานั่งท่านกันทร์ยังจำได้ที่อยู่ข้างใต้องทางเข้าไปทางในใร่มครัวเนี่ยต้องเล่าหมดมากที่อยู่ว่าเป็นที่ยู่ที่ยกน้ำต้องบ้อน นอกกำแพงก็สะบ่อบอบมอกนก็ยังสะอาดตรงนั้นก็มีกไว้ลู้คนไงพระดูนะแล้วที่หลังทางเป็นหมู่บ้านจะมีมีสะอยู่สองสะสองสอันหนึ่งให้ควายอันนึง ใ, ให้คนด้ <c oughs> อันที่ให้คนนี่ก็จะล้อมดูว้วนหนาววเ <c oughs> พราะคนชาวบ้านหน้าแรงก็ต้องมาอาศัยน้ำใอันนี้ในในงานนี้ไว้ให้ควายเข้าไปเดือดได้เพราะนั้นเขาจะไม่ได้ล้อมดู อยู่ประมาณครึ่งทางจากวัดไาหมู่บ้านถ้าไปจากวัดก็จะเด็นได้นะแต่ทางหมู่บ้านก็คงจะมีน้ำาต่ไต่ไ่คิดเป็นคใหญ่เลยอยู่อัยบุคางเก็บน้ำท่านน้บุครองรอบมาขอเรืนแล้วก็มีคนเพื่อทำเหมนที่ทำมา ท e um, an ั้ง no ที่ออกมารอบเลยนะก็ว่ารอบนะครับลูกก็เห็นเป็นวงมงก็นานลกถ่ายน้ก็ดีจะที่เก็บน้ำด้วยแคได้สายน้คนชอบอาางอที่น้น้อยก็อาบกันไม่ใช่แต่ไปอย่างัีกลัว วัวมันร <Wing. S 1> ้อยยตัวในงโงาลอดอยจ่นี uh ่เ huh. ป็นโรงชาวัวฝัที่ทางไหนแลตรงโรงตรงคอัวตัดที่มันคอัวนี่อยู่ทางด้านหน้าใหม่ทางผต่อนะคะตรงสาแยกตรงนั้นเขาเป็นันแยกตรงสาแยกเลยแล้วโรงชางก็อยู่ทางนั้นอว่าอยู่ข้างในข้างหลังางหลังวัวตอนที่ยังอยู่เราดยางหรือยังเริ่มราดก็ดี ได้ปีสองปีเพราะตอนนั้นเนี่ยท่านเสด็จไปก่อนหน้านั้นเขจะราดแล้วแต่ท่านไม่ท่านไม่ให้ท่านกว่าให้ให้ไปราดอ่กว่าทนไม่มีความจะเ็นท่านก็เลยไม่ไม่ราดแต่ในหวงทันเสด็จแล้วเขาก็มาราทั้งน้าที่ท่านเสด็จไปนั้นท่านไม่ได้ท่านไม่ได้แจ้ไม่มีกาหนดการไปโดยที่ทางวัดก็ไม่รู้คณะติดตามก็ไม่ทราบว่าท่านไปไหน พอไปถึงว่าท่านก็ลงแต่ว่าแล้วก็ทหารก็รีบวิ่งมาถามพระว่าขุติเจ้าว่าอย่างไร <c oughs> แต่ตอนนั้นรถทราบว่าหลวงตาท่านทราบนะเพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะเสด็จพานหลวงตาท่านกต้องอยู่แถวสระพอดีแต่พอท่านได้เห็นรถเรื่ออะไรท่านแล้วท่านก็เลยท่าก็เลยเดินกลับครับ <c oughs> แล้วก็แอ บ, บอยู่ใต้ถุนกุติัา <c oughs> งดูท่านท่านก็ไปเห็นด่านเสด็จลงจากรถมาแล้วก็เดือด เดินเดินอยู่ด้วยบรเวณหน้าหน้าศาลาอันนั้นยังเป็นเป็นชั้นเดียวชั้นต่ําัำไม่สูงไม่ยกขึ้นขึ้นมาเมื่อก่อนนี้ท้างใต้จะเก็บของพวกไม้ของอะไรต่างๆเวลาเข้าไปเราตั้งกลมกลมเข้าไปเพาะมันมันต่ <c oughs> แล้วก็เลยนั่งแอบอยู่ข้างหลังไม้นั่งดูนั่งดูรอรอหนีนดดนดดนดท่านแล้วถ้ากู่ทานก็มักจะใหท่านไต้กู้ก็เป็นกู้ตา แล้วสักประมาณสักสิบนาทีนั่งขบวนของสมเด็จก็ตามมารถก็วิ่งรอบศาลาเต็มเ <c oughs> ต็มวัดเลยแล้วสักกู่ชาวบงชาวบ้านก็เ <c oughs> ข้มากันเต็มพอนั่งรอเข้าตั้งแต่ขอดทางที่เข้าตั้งศุติของพระสงฆ์ศาลาหนึ่งรอรอตอนอยู่ในลงท่านจ ะ, สะเสด็จท่านกลัจะออกท่านไปถึงตอนนั้นก็เย็นแล้วมั้งห้าโมงสี่โมองกวาห้าโมง ก่อจะออกมาก็มืดเกิดต้องใช้ต้องใช้ไฟแหละ อ, ออกมาถ้าก็ยังไม่เสด็จฉนะันนะท่านก็ยังทัดถ่ายสาาัมาถานถ่ายชาวบ้านที่ติดตาง ถ, ง, งถังท่อมถงที่อะไรดูขึ้นสวกถียด้าหลังจากนั้นท่านก็เสด็จใหม่ครัง้งสองครั้งแต่มาคราวนี้มีไม้มกำหนดการมนาะ แนวพงแนวเพือฐานทั้งเหนือะไรก็มามาเคลียร์เพื่อหลังจากนั้นเราก็ออกมาแนละ้วไม่ทราบว่าท่านเฉลตไปเมื่อไหปีเพิ่งไปนะั้นนึกว่เป็นปีของส อ, องห้านทะำไม่ได้สองห้าแล้สองหออกางานที่ท่านเฉลต ได้ข่าวว่าตอนที่ที่พุ่งเริ่อเริ่มบกุกเบิกใหม่ๆเพราะนั้นถนนยังไม่ลาดยางถน น, นยังเป็นน้วลันอยู่เกีเ่ยวเนื่องจากที่สมเด็จพระสังฆราชมีกฎติเมื่อก่อนมีคนสร้างถวายกุติให้ท่านประทานที่ภูเขาที่ที่สร้างข้ามมณฑลเพราะนั้นยังไม่ได้สร้างข้ามมณฑลนอกจากผ้ากั น, ลาานหลังที่มาจากวัดทังองค์เอง ท่านมีลูกศิษลูกหามาช่วยสร้างกุฏิถวายสิ่เด็จไหวบนเขาบนโดดธรรมราสนเดจท่านมาปฏิบัติธารกิจที่วันยานท่านชอบภาวานาที่งเงียบเียบท่านก็จะสเ็จขึ้นไปรับที่กุฏิหลังนั้นทลางเล็กๆขนาดกุฏิเท่ากับของน่านตาเนี่ยต้องประมาณสองเมตรคูนสามเมตรแล้วก็ชานนิดหน่อยอมา มีโครงการจะสร้างข้อมวนดบตรงนี้พระอาจารย์หวันท่านก็เลยขออนุญาตมาบุกเปิดเขาชีเขาชี่อนแล้วก็ย้ายสติของท่านมาสร้งไว้ที่นี่ในบนเข้าไปนี้แล้วรุ่นเจ็ดปีปีนั้นสมสมทบสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวและเก็าเสด็จมาโดยไม่เป็นทางการท่านเยี่ยมาเข้าถึงอย่างข้าหลวว่า ก็เลยเลื่อนมามามาเท่แบบนี้จเลยเพิเรา ม, ามามารับที่ศาลาแบบนี้มามาหลังนี้เมื่อก่อนนี้หลังคาจะมุงด้วยหญ้แฝกหญ้าหญ้แล้วก็พ <c oughs> ื้นก็จะไม่ค่อยเสมอไม่เรียบแ น, นี้ตอนนี้ก็เราทำงางให้ช่างเข้ามาปรับปุงหนะ่อยแต่ก็คล้ายๆอย่างนี้ขนาดเดิมแล้วก็ต่อต ในหลวงท่านเสด็จกับญาติโยมที่เป็นลูกสิษย์เร็จก็ภาชนะอยากจะสร้างให้มันดีเพื่อไว้คอยรับเสด็จต่อไปชาวบ้านเขาทราบข่าวชาวบ้านเขาเป็นคนสร้างาเขาก็ไม่ยอมเพราะเขาต้องแบกไม้ขึ้นมาแบกบไม้ไม้เก่าที่ทงวัดได้มาจากวัดโบราณมีคนถวายเวลาเขารือบ้านอยวกถวาย สายไม้ไว้ที่วัดบว่ า, างาาทาก็ได้เช่อะไรเขามาซื้ อ, ขอเขามาเขามไ้ที่วัดใหญ่วันกันวันเวล า, าท่านขึ้นมาถูกแบบนนี้ทั้นก็เลยเอามาใชอาศัยสามาช่วยกำแดทนนั้นยังไม่มีถนนตอนนั้นยังเขากำลังทาอ่านเก็บน้ำที่เราผ่านขึ้นมาอยาู่นี่ <c oughs> ก็เลยได้อาศัยช่างที่เขาทาอ่านเก็นน้นก็ามีรถแท็กซี่อาศัยเขาช่วยทำทาทางขึ้นมา ตอนห น, น้นต้องเดินาตามทางล่องนาำใน ป, นป่าต <c oughs> อนที่ก็าฝนมาขึ้นมาตอนนั้นยังไม่มีถนน <c oughs> เอสร้างสร้างสถิตพระท็แล้วก็เขาก็ทําทางขึ้นมาแต่เป็นเป็นทางกกลุก ล, ล, ล, ล่างเด็จพระสังฆราชเวลาท่านมามาพิรำยานท่านก็จะขึ้นมาประทับที่นีมก็ <c oughs> เ, เลยเป็นที่มาที่ในหลวงกันมามาเท้าท่าก็เลย เห็นบรรยากาศสถานที่ตอนนั้นต้งเห็นว่ามีชาวชาวชาวไร่ชอบปลูกพุข่มไม้ผาป่าแล้ว um ก็าปลูกเป็นไม้ก็เลยทรงมีพระราชดำริให้ให้สงวนที่มีไว้เลยกำหนดเป็นเขตเคหะห้ามล่าสัตว์ป่าเพราะถ้าเป็นเขตห้ามล่านี้พระอยู่ได้ถ้าเป็นป่าสมุนนี้จะอยู่ไม่ได้เพราะกฎหมายก็มีหลายระดับด้วยกัน คืออแต่ว่าใครก็มาทําประโยชน์ไม่ได้เลยครับคือยังพออนุ ญ, ญาตให้บางเสียง้ามาทําได้ก็เลยต้องการพระราชบัญญัติให้เป็นเขตท่ามราชป่าราะ <c oughs> มีพระอยู่แล้วท่านก็ไม่ปราถนานที่จะให้าย้ายไปก็ราท่านเห็นว่าเป็นที่เ <c oughs> ว่ยเว่ยทงท่านเองอก็โปรดทรงเคยปรารว่าอยากจะมาด้วนเราอยู่ที่นี่ตอนที่ทรงอายุหกสิบพรรษาไปแล้ว นี peso, ่ก็เป็นที่บาที่เขามาลาดยางต่อถนนเขาตัดปีสองหกถนนไม่แต่ว่านไม่บอกเลยเไตรียิงสาราคือเขาเตรียมเผื่อไว้ว่าเขามีโครงการจะทำป่าปฟาคือเขาทำจัดอ่างเก็บน้ำที่น่าหน้าสติงัน แล้วเพื่อจะได้เอาเอาเครื่องสูบน้ําสูบเพื่อจะได้มีน้ำใช้เพราะวันนี้เราไม่มีน้ำใช้แล้เราอาจใจแค่น้ําฝนหนองทีนี้อ่างก็ก็เก็บไม่ได้เขาใช้ข้าวยางปูแล้วมันถายน้ํามันเสียนแล้วก็โครงการที่ท่านจะเสร็จมา ก, ก็ก็เงียบไปก็เลยไม่มีการทําอะไรต่อเนื่ พอเรามาอยู่เป็นวันหน้าเราก็ไม่ไม่ให้ใช้ไฟฟ้าเพราะเราชอบอย่างนั้นเลยคก็เลยไม่ก็เลยไม่ได้ใช้ไฟฟ้ามากอนลังนี่ไฟฟ้าเสาเสาสายไฟมันเกิดเกิดไม้เป็นท่าครับจนกระท้างเดินเสาล้มลงมาก็เลยเรียกให้ชางไฟฟ้ามาเก็บสายไปเพราะแล้วมีแต่เสาไม่มีสายนอกจากที่เหลืออยู่นี้ช่วงนี้เท่าอั้นที่ตัดเออ เชื่อมต่อไฟนั้นไม่มีนะไม่ไม่มีไฟปีที่คุณบรรทูลมาบวชแกก็จะเอาไฟฟ้าขึ้นมาแล้วก็ไม่ให้แกแกก็ค่อนข้างที่จะไม่แฮปปี้ก็ถึงกับเราก็บอกว่าถ้าอยากจะเอาขึ้นมาต้องไปปรึกษากับเลขาของสมิตพงศ์ครับาไปอีนี้ท่านไปเป็นเจ้าว่าว่าพามก้าก็คงจะได้รับข้อมูล เส้นเดียวตับที่เราได้รับมาคือที่ใหญ่ไม่ปรารถนาให้มีการใช้กระซ้อย่างนี้แกก็เลยต้องมาทำกระซี่งแทนที่นี่เจ้า พอสมควรใจไปแล้วยังถามท่านนะแรกจะพิมพ์ไ น, นังกองแต่ส ม, มัยานั้นยุ่มันได้พ <c oughs> อนะยะทาวาริ์ า, าปุราติิคุริติสาคารางเอวเมวะอินโตินังเปตานังอุปขัตปติเิชิตังปะชิตังสุมหังกิดาเนวะสุิกะตุสักเเอตุไินตุสังกป จันโทปณะระสุยทาเมญโธติระสุยถาตัพิติโยวิวัสันตุสัพโรโควินาศตุมาเตตวะตวันตรายุุขิท่คาโยภวะอะพิวาธนสีลิสะมิจังุทาปัิญูจตารูธรรมวัานติอายุวันูสุขัง จิตใจท่านจะได้ทํอไงเอาไปตอาไปกเอาไปากเอาไปตากแล้วเราดาวไวที่เทียงเด้๋ยวไว้ดูะอะไรก็ใจเย็นๆนะภาวนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวถึงเวลามันหายเอง กูจะดูแลนอนดีไปยีไานน่นก็เาดอกไม้เดี๋ยวให้ให้ให้นไปไใชตามทุกนอนี่เป็นถวายค่ะที่สิ่งเักดิ์สิทที่เอามาถวายท่านอาจารย์หปู่ให้ังก็ดู ที่ไหนกัน